โอเคมีเข้ามาท่านแรกแล้วพูดได้เลยมาจากที่ไหนอยู่ที่ไหนช<อ>ื่ออะไรอ๋อเจ้าขาอยู่ศรีรชาเจ้า่ะโอเคินดีที่ได้พบปะ ก, กันรันาา ก, การเจ้าขามีอะไรจะพูดไหมจะถามไหมยังไม่มีเจ้าค่เอ่อยอยากจะเข้ามาดูเหรอ มาฟังเจ้าค่ะฝังดูดูด้วยเจ้าค่ะติดตามเพจนี้มานานหรือยังก็นานพอสมควรเจ้าค่ะเดี๋ยวตภาพจอเราไม่อยู่ตรงไม่อยู่ตรงกลางไม่ต้องขยายไปทางไหนนะไม่เป็นไรในกลางก็ในกลกลางโอเคเออบ้านอยู่สีจชะชานี่เองเหรอใช่เจ้าค่ะเคยมาวัดหรือเปล่า แต่มาวัดยานาี่เหรอเคยไปเจ้าค่ะแล้วก็ทํางานอยู่กับพี่บอยเนี่ยค่ะเจ้าค่ะร่วมร่วมไถ่ายทอดเจ้าขาเ <laughs> จ้าคขาทํา ท, ที่ไหนทํา<ล>ที่บ้านเพื่อเหรอไม่เจ้าขาทำเอ่อทำงานอยู่ที่แหลมฉบังเจ้าค่ะแต่ว่าก็ช่วยงานถ่ายทอดของพี่บอยด้วยเจ้าขาถ่ายทอดสดนี่เหรอก็ใช่เจ้าค่ะบางวันเจ้าค่ะไม่รู้เลยนีไม่เคยบอกเลย อ้อมาเจ้าข่าสใส่ผ้าจารย์ทําไมได้พอดีไม่ได้ใส่แว่นพอดีหนูไม่ได้ใส่แอไปขอไปไม่เป็นไรต้องขอใกล้ไปเลยอยู่เป็นคนเออถ้าถอยไปใกล้ใกล้หน่อยโอ้ยธรรมดาก็เห็นใกลเจต่ค่ะมันเข้ามาใกล้ใกล้มันมันใหญ่ไม่หมดเลยอ้อมถือโอกาสขอขอถามผ้าจารย์พอดีเพิ่งเล็กได้เจ้าค่ะเรื่องของทานเจ้าค่ะมามา ค่ะเรื่องของทานเนี่ยเราใครว่าว่าเมื่อไหร่เราถึงจะพอเพราะเหมือนกับว่าเราเราคิดว่าเรายัางทําไม่พอเราต้องทําทานนู่นเราต้องทําทานนี่หลายๆอย่างตลอดเวลามันมันไม่ได้อิ่มใจตลอดเวลาเจ้าค่ะอ๋อการทําทานนี่เพื่อตัดกิเลส ท, ที่จะเอาเงินไปใช้ทางอื่นไปยังนะแต่ว่าถ้าเราจะไปเที่ยวนี่ซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จําเป็นเนี่ย ถ้าอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินเอาไปทําบุญทำทานดีกว่าเจ้าค่ะแต่ถ้าเราไม่มีไม่มีความไม่มีความอยากจะซื้ออะไรเงินเราก็เฉยๆแล้วก็ปล่อยมันไว้เฉยๆก็ได้นอกจากว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขเอเราช่วยคนนั่นคนนี้แล้วมันทําให้เรามีความสุขกว่าเราไปเที่ยวหรือซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ซื้อรองเท้าคู่ใหม่เจ้าค่ะนั่นคือเป้าหมายของการทําทานอยู่ตรงนั้นเรามีเงิน เราอยากจะใช้มันใช้มันถูกทางวิธีที่ถูกทางก็คืออย่าไปาใช้กับความอยากเช่นอยากไปเที่ยวอยากซื้อรองเท้าคู่ใหม่ซื้อกระเป๋าใบใหม่อะไรของพวกที่ไม่จําเป็นเนี่ยถ้าอยากจะมีความสุขจากการซื้อทองเหนนี้เอาไปทําบุญดีกว่าทําแบบไหนก็ได้ปล่อยปลาก็ได้ปล่อยนอกก็ได้ <Okay. S 1> ให้ขอทางก็ได้ แล้วแต่เราจะชอบทำบุญแบบไหนเราก็ทำไปทำแล้วก็จะเกิดความขึ้นมาต่อไปความอยากจะใช้เงินแบบไม่มีเหตุมีผลตามความอยากมันก็จะน้อยลงไปนั่นคือเป้าหมายเราจะได้ไม่ต้องทิ้งโดนท้าเงินมาตอบส น, นองตัญหาเราหรือยังไงเพราะถ้าใช้เงินตามความอยากแล้วเดี๋ยวพอซื้อมาใบนี้แล้วเดี๋ยวออกไปเที่ยวช้อปปิ้งเห็นใบนใหม่ก็อยากจะได้ มันไม่มีความพอหรอกถ้าซื้อของตามความอยากเจ้าค่ะเน้นต้องฝืนความอยากถ้าอยากจะซื้อของก็เอาเงินไปทําบุญดีกว่าผมที่ได้รับจากการใช้เงินก้อนเดียวกันนี้จะได้ความสุขมากกว่ากันเจ้าค่ะแล้วความอยากก็จะน้อยลงไปความอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยความอยากไปเที่ยวมันก็จะน้อยลงไปทําให้เราไม่ต้องคอยหาเงินมาตอบสนองความอยาก เราก็จะไม่ใช้เงินมากแล้วเราก็จะได้มีเวลาไปปฏิบัติธรรมได้นั่นคือความหมายของทานทีนี้ความสุขจากการที่เราให้ทานบางทีมันก็มันเกิดขึ้นแป๊บๆแล้วมันก็หายเกิดขึ้นแล้วก็หายค้าจําเหมือนกับเราไม่พอมันยังมีอะไรที่เราไม่สามารถเติมเต็มให้ใจมันมันอิ่มหรือว่ามันพอดีไดหมมันก็ได้แค่นี้แหละแต่จะเต็มก็ต้องไปภาวนา ความสุขจากทานมันก็อยักชั่วคราวอยู่<ม>แต่มันนานกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยว<ม>เราทําทานไปแล้วเราสองวันเราเลิกถึงทานที่เราทําำมันยังไม่มีความสุขขึ้นมาได้แต่ถ้าเราไปเที่ยวมาแล้วสองวันไปเลิกถึงที่เราเที่ยวนี่อยากจะไปเที่ยวทุกข์ขึ้นมาเจ้าค่ะเจ้าค่ะบางครั้งเนี่ยเราเรานึกถึงแต่ว่ามันมันเหมือนกับมันมาจืดนะคะผ้าจานมัเหมือนมัน ทำทานนี่ก็เหมือนทำนเลยนาะทำเยอะๆเี่ยิ่งเยอ ะ, <c oughs> ยอะมันยิ่งเข้มข้นทานน้อมันก็มันก็ลองทำดังๆดูสักครั้งดูเลยมันจะรู้สึกว่าสะจว่าข <c oughs> ้าศึกเลย <c oughs> มันก็ล อ, ลองลองหาทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราลักเราชอบที่รเราเห็นแล้วทำนะทาให้เราเกิดความปลื้มปิติขึ้นมาอืม เพราะแต่ละคนอาจจะชอบต่างกันบางคนชอบสร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปสร้างคุตติบางคนก็ชอบบริจาคให้โรงพยาบาลอะไรแล้วแต่อ น, นี้เป็นการทําบุญทําทานเหมือนกันใช่ไค่ะแต่ความเปื้มปิติอาจจะไม่ไม่เหมือนกัน<ม>เหมือนอาหารที่เรากินก็เป็นอาหารเหมือนกั น, นกินอิ่เหมือนกันแต่อาจจะไม่สดเหมือนกัน กินอาหารที่เราชอบแล้วมันมันทั้งอิ่มแล้วก็ยังทั้งสุกด้วยทําทานก็ได้ความอิ่มใจแต่มันอาจจะไม่ปลื้มใจมนะยังบาอทีทำบุญกับแต่ไม่ปลื้มแต่ถ้าทําบุญกับสิ่งที่เราชอบคนที่เราชอบเนี่ยมันทําให้อิ่มด้วยปลื้มด้วยค่ะก็ลองสังเกตดูแล้วก็ขึ้นอยู่กับทํามากทําน้อยด้วยทําน้อยกับทํามากมันมีผลต่างกัน ีมากิอยนน จ, จะให้ของที่เราแบบของที่เรารักห่วงมากๆให้ไปแบบม<ต>ันา น, น่าจะเพื่อน<ะ>ใหญ่เลยนะมาขอแฟนยกให้ไปเลยโอ้มีความสุขมากย <csak> ิ่งเป็นยิงเป็นเพื่อนสน็จแล้วก็อยากจะได้กฟนแล้วเอาไปเลยเธอรักเพอนมีความสุขนี่แหละนะ ยิ่งให้ของที่เรารักก็วหวงมากเท่าไหร่ยิ่งยิ่งได้ความสุขมากมรางคนบริจาคใจบริจาตายให้แม่ครับสมมติแม่ป่วยเป็นโรคใจเรา ล, ลืงตายสองข้างบริจากให้แม่ตายอย่างนี้นึง่เราจะรู้สึกมีความสุขมากให้ไปแล้วทํามาปีสองปีคิดถึงมันก็ยังมีความสุขทุกครัขข้งเจ้าค่ะเนี่ยมต้อง ต้องให้มากให้เสียสละในสิ่งที่เรารักมากเจ้าแล้วมันจะมีข้นต่อใจเรามากนถให้ของเสียไฟเของที่จะเทงแล้วไม่มีความรู้สึกดีเท่าไหร่นะรองเท้าเก่านะให้คนเหลืเข้าไปไม่เหมือนกับซื้อรองเท้าใหม่แล้วให้เข้าไปความรู้สึกมันต่างกันใช่ไหมนั่แนแหละแต่อย่าไปหวังว่ามันจะ จะดีกว่าการภาวนามันไม่ถ้าอยากได้มันมันมากกว่านั้นมันต้องไปภาวนานั่งสมาธิทำใจให้สงบจ้าค่ะนันะมันถึงจะมันจะได้ได้เยอะกว่ า, างั้นก็เอาแค่นี้ก่อนนะเราเปิดโอกาสามีไล์มคนเข้ามาแล้วใช่ไ้ยเนี่ยเอามากั้งนกมาสักการ์ค่ะพระอาจารย์ เอชื่ออะไรบอกด้วยมาจากที่ไหนชื่อวรรวันค่ะชื่อเล่นชื่อมะเมี่ยวค่ะเดี๋ยวลงมาได้เดี๋ยวลงมาแล้วมาหมอห ม, ม, ม, มอมมวใช่ค่ะอาจารย์อมีอะไรหรือเปล่าค่าะพอดีจะถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์บอกว่าการภาวนาก็คือเราต้องเตรียมน้ําไว้ดับไฟใช่ไหมคะคราวนี้เตรียมน้ํานี่คือหมายถึงสมาธิสติสมาธิแล้วก็ปัญญา สติกาต้องมีสติก่อนถึงจะได้สมาธิแล้วก็พอมีสติแล้วก็จะคิดทางปัญญาได้คิดทางใตละได้ก็ต้องมีทัก2สองอย่างมีทั้งสติทั้งปัญญ า, าใครเสียงใครส่งรบกวนเข้ามาเลยนะแอดมินตรวจสอบดูว่ยังมีใครแฝงหน้าเข้ามาก่อกวนหรือเปล่า ได้ยินเสียงไหมได้ได้ยินค่ะพ้าอาจารย์กนน็คืออยา่างนี้ค่ะเพราะถ้าอย่างนั้นก็คือเข้าใจคำตอบตอบไยังคุณหมอค่ะเข้าใจค่ ะ, ค, ะคือก็คือเราฝึกนั่งสร้างสมาินั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาใช่ไหมค ะ, คจะเจริญ ป, ปัญญาก็คือเป็นเป็นท้งที่พระอาจารย์เคยสอนว่า จากการฟังจากการนำไปนึกทบทวนแล้วก็ลองปฏิบัติอ่าตอนแรกก็เอามาพิจารณาเพราะถ้าเราไม่ไม่ศึกษาด้ว้ก่อนเ ว, เวลาจะเอามาใช้มันใช้ไม่ใช้ในทางการปัญญานี้ต้องเปียนไว้ก่อนเรื่องความแก่ความเจ็บความตายที่ต้องเลิกบ่อยๆพอถึงเวลาเจอความแ ก, มแก่จะได้ไม่ทุกข์เพราะมันเป็นธรรมดามันเป็นความจริง เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหมอบอกเป็นมะเร็งมันก็จะได้ไม่ทุกข์เพราะมันเตรียมตัวสอนสอนใจให้เตรียมรับความจริงไม่ร่วงหน้าแล้วพอเจอความจริงมันก็มันก็ไม่ทุกข์ถ้าทุกข์มันก็แสดงว่าสติไม่พอหรือปัญญาไม่ลืมไปรือว่าเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องรีบสอนใจในตอนนั้นว่าร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวเราของเรา แล้วก็ถ้ามันยังยังทุกข์อยู่ก็ต้องใช้สติช่วยพุโทโธพุโทโธทำใจให้สงสบให้เป็นอุเบกขาัวใจสงบเป็นอุเบกขาแล้วมันก็จะสบายอยู่กั บ, อ ย, กบอยู่กับความเรียบไายและป่วยนีะยรับครารการที่ค่ะค่ะคราวนี้การที่มีความทุกข์ขึ้นมาแล้วเราจะเห็นความทุกข์ได้เร็วนี่มันขึ้นกับอะไรคะติการที่เราจะเกิดกับ อยู่สมาธิด้วยเป็นเพราะถ้าเรามีสมาธิจิตเราจะ อ, อยู่ข้างในอยู่ในในเวทีเลยเวลาทุกข์เกิดขึ้นมันเกิดในใจแต่ถ้าเราไม่มีสมาธินีิจิตเรามาันจะไปอยู่ข้างนอกไปเ ร, เรื่องนู่นเรื่องนี้เราไป you, mm hmm. าเวลาไปทุกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คิดว่าทุกข์อยู่ข้างนอกทุกข์อยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนีความจริงมันทุกข์ mm hmm. อยู่ในใจเราแต่เราไม่มองมันเราไปมองข้างนอกแทน เราเลยไม่ได้มาแก้ข้างในถ้าเรามีสมาธิจิตเข้าข้างในแล้วเวลาทุกข์มันจะเห็นขึ้นมาโอ้ตอนนี้ใจเราทุกข์นะและ้วนตกฝึกสติสมาธิให้มากๆก่อนแล้วจะเริ่มทุกข์แล้วพอเห็นทุกข์ก็ใช้ปัญญามาแก้มาเอาทุกข์ของเรานี้ร้อยทั้งร้อยเกิดจากความอยากของเราอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยง อให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของเราก็เลยทําให้เราทุกเพามันไม่มีอะไรเที่ยไม่มีอะไรเป็นของเราพอแล้วนะก็จะใช้ค่ะอยาะพูดต่อต่อวิชาเนี่ยวิชามียากจะพูดไหมคุณวิชาครับาจาครับนะอาจารย์ก็ผมก็ปฏิบัติเหมือนเดิมครับคนะือนะอย่างที่เคยกลายเป็นอาจารย์แล้ว อย่างช่วงเนี้ยมันจะมีความรู้สึกเวลาเรามองอย่างอย่างผมเห็นแม่อายุแปดสิบกำลังป้อนข้าวให้หลานอายุเก้าเดือนเนี้ยมันก็จะรู้สึกว่าเรามองแล้วเราเกิดเหมือนมันสังเวชใจมันเหมือนเราไม่อยากเกิดมันเหมือนเราเห็นความต่างคือชีวิตหนึ่งกําลังเจริญเติบโตชีวิตหนึ่งกําลังกําลังกําลังโยรลยลาอะไรเงี้ยมันรู้สึก เห็นแล้วเราก็คือเราผมระหว่างวันก็จะพาวันะก็คือจะพูดโทรไปทุกทุกขนาเท่าเท่าที่เท่าที่จำเท่าเท่าที่เท่าที่จะมีสติอยู่ครับถ้ามันรู้สึกไม่ดีก็แสดงว่ามันมันเป็นกิเลสเราก็ต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดามีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตาย บางที่เราเถึงความตายความแ ก, แก่แล้วเสึกขดขู่แสดงว่ากิเลสมันทํางานใจเรายังไม่อยากรับความจริงยังไม่อยากให้แก่ให้เจ็บเราก็ต้องทําใจให้สงบพุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิไปพอใจสงบแล้วเอาอาการปวดขู่ก็จะหายไปครับจาระจะครั บ, รบแล้วก็มีเรื่องเจอเจ้าหน้าที่ เวียใส่อะไรเงี้ยมันก็จะแบบเมือนทรมาแล้วก็เขาเปีดใส่เงี้ยเราก็คือเรารู้ตัวเราก็จะแบบเหมือนเราคือเคยฟังอาจารย์บอกว่าให้เอ่าเหมือนเราดูดูละครเหมือนคือมองมองย<อ><ช>่างเราอย่าอย่าเราอย่าเขา้าไปเล่นเรามองให้เห็นเป็นมองแล้วว่าวางเฉยเฉยมันมันก็ไม่รู้สึกเฉยอย่าไปอ ย, าอย่าไปมีความรู้สึกจะไม่มีอารมณ์ตามเขา ก็รู้สึกว่าเออเวลาพูดแล้วเขาเราก็รู้สึกว่าเออเราก็พูดได้เสียงปกติพูดด้วยเหตุผลเขาแต่เขาปี๊บขึ้นมาต่ออีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาห้ามเขาไม่ได้ไงเขาเป็นอนัตตาเขาเป็นอนัตตาเหมือนฟ้าแรกอยู่มีฟ้ามนันแลกขึ้นมาครั บ, รบตอนนี้ก็ดีๆเขาก็โกรธขึ้นมาเราก็ถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นเหมือน เหมือนฟ้าแรกเหมือนธรรมะเหมือนธรรมชาตมิมันก็จะไม่นะไปพยางกกนนามตตาอานตตาอานาตาเราเคยดีน้ำลมไฟเนี้ยฟ้าผ่าผลตบฟ้าล้องเนี่ยซราไปห้ามอำไม่ได้ฝ่า้ทร้องไปทำรู้แกรมสูงก็จะมีได้ยินเสียงรบกวนกนะันทุกคนนะ มันจะมีช่วงวันสองวันตอนตอนนี้ตัดเสียงที่เครื่องมันหลับมันมีช่วงวันสองวันนี้ที่มันเหมือนเหมือนเหมือนตัวขี่เกียจมันเข้ามาเกาะอีกทีหนึ่งนะมันเหมือนพอตื่นนอนมันก็ง่วงคือผมตื่นมาพ ORN าตีสามพ ORN าสิงสิบตีสี่อย่าเงี้ยมันก็จะแบบพรง่วงผมก็เดินจงกลมพอถึงตีห้าปุ๊บมันก็ง่วงอีกแล้วครับมันก็มีบางวันมันก็นอนมีแวบแวบไปนอนต่อ ก็ถ้าถ้าไม่ไหวจริงจก็นอนบ้างก็ได้นะร่างกายมันก็ต้องการพักผ่อนเหมือนกันนะแต่ถ้าพักมากเกินไปก็ก็ก็อยอะก็ต้องฝืนมันต้องเดินเดินถ้านั่งไม่ได้ก็เดินนะโอเคคนต่อไปคุณอะไรเนี่ยซาลินทอนนะซาลินทอนไอโฟน อยู่ที่ไหนมาจาที่ไหนถานวสการ์พระอาจารย์เจ้าค่ะโยมอยู่ที่อเมริกาค่ะพระอาจารย์โยมอยู่ที่รัฐแมริแลนด์แมริแลนด์ค่ะเคยเข้ามาอาทิตย์ที่แล้วค่ะพระอาจารย์โยมเข้ามาที่แล้วแล้วก็ถามนะครับค่ะแต่อีกคนนึงเป็นเพื่อนโยมด้วยค่ะแล้วก็โยมถามคาถามใช่ค่ะ โยมถามคําถามพระอาจารย์ที่ว่าโยมเกิดอาการตัวแข็งเวลาที่เดินจงกรมเพราะว่าแล้วพระอาจารย์ก็แนะนําให้โยมกําหนดสติกําหนดพุทโธพุทโธไปอ่ะคะ่ะแล้วโยมก็นําไปปฏิบัติอะค่ะแล้วก็แล้วก็เกิดสภาวะธรรมต่างๆในรอบประทิที่ผ่านมาแล้วก็โยมก็เริ่มรู้สึกว่ามันตัวมันไม่แข็งตัวมันไม่แน่น มันเริ่มกรุงกรวงอะค่ะพระอาจารย์แล้วก็พอตอนเวลากําหนดสมาธินั่งสมาธิปกติโยมก็จะเหมือนมันง่วงอะค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็เริ่มมันจะหลับอย่างนั้นนะคะเสร็จ แ, แล้วโยมก็เลยตั้งใจกําหนดพุทโธพุทโธพุทโธอย่างที่พระอาจารย์แ น, น, นะนําค่ะแล้วก็พอตัวง่วงมันเกิดขึ้นพุทโธมันก็ตัดตัวง่วงก็หายไป ท่าวนี้โยมก็เลยรู้สึกเบารู้สึกสบายค่ะอาจารย์แต่ว่าพอกาหนดเวลาที่เดินจงกรมนั่งสมาธินี่โยมรู้สึกว่ามันมันเห็นผลดีขึ้นค่ะแต่มันไปไปมีผลกับเวลานอนของโยมแทนคือปกติเวลานอนเนี่ยโยมจะนอนแล้วก็ดิ่งวูบไม่ไม่ค่อยฝันค่ ะ, คะอาจารย์แต่หลังจากเริ่มพุทโธพุทโธไปเรื่อย โยมก็ฝันฟุ้งไปทั่วเลยค่ะพระอาจารย์ฝันทั้งดีทั้งไม่ดีไปเจอผู้คนมากมายทั้งน่ากลัวทั้งอะไรไปหมดเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นโยมก็เลยเป็นมาสามวันติดกันโยมก็เลยรู้สึกว่าแนวทางการปฏิบัติมั น, ม, นมันน่าจะมีผลกับความฝันไหมค่ะพระอาจารย์ <laughs> ก็เลยโยมก็เลยวันที่สี่โยมก็เลยบอกว่าไม่เอาละคืนนี้โยมจะกําหนดลมหายใจแล้วจะนอน แล้วพอพอตอนนอนโยมก็เห็นอีกว่าว่ามันเริ่มง่วงมันก็ไปดูความง่วงนั้นมันก็ตัดแล้วมันก็ตื่นเป็นอย่างนี้สามสามรอบโยมก็เลยไม่ได้ น, นอนค่ะพระอาจารย์พอวันที่ห้าวันถัดมาโยมก็บอกว่าไม่ได้ละเหมือนเหนื่อยเพราะว่าปกติโยมจะตื่นเช้ามารอบหนึ่งเราปฏิบัติรอบหนึ่งแต่ว่าสี่ห้าวันที่ผ่านมามันไม่ไหวค่ะพระอาจารย์ วันที่ห้าโยมก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งในความฝันนะคะพระเจะาขันเห็นว่าพอจิตมันกําลังพุ่มเหมือนกำลังจะไปฝันมันก็มีเสียงพุทโธพุทโธพุทโธดังขึ้นในความฝันแล้วมันก็ตัดตรงนั้นหายไปแล้วยมก็ตื่นอีกเแ็จแล้วโยอมก็บอกว่าไม่ไหวแล้วง่วงขอนอนพอโยมเห็นว่ามันจะพูบเข้าไปในเวลานอน มันก็ยมก็บอกว่าไม่จะไม่จะไม่ฝันวันนี้จะนอนมันก็เลยเข้าไปเห็นในตัวแทกนะคะอาจารย์แล้วแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงบางทีเสียงพูดเสียงผู้ชายพูดเสียงผู้หญิงพูดบ้างอะคะะ่ะะอาจารย์แล้วก็สุดท้ายก็ฝันอยู่ดีฝันฟุ้งเฟอ้อไปอยู่ดีแล้ววันนี้คืนเมื่อเช้าเมื่อคืนนี้เป็นเป็นคืนแรกที่ ที่ได้นอนที่โยมรู้สึกว่าโยมได้นอนในรอบหกวันที่ผ่านมาค่ะก็เลยอยากถามพระอาจารย์ว่ามันเกี่ยวข้องกัน้ไหมส่วนหนึ่งก็คือเราอยากเราจะไปเราไปยุ่งกับความฝันเองเราเราไปอยากให้มันไม่ฝันมันก็ยิ่งฝันอย่าพยายามนะงั้นเวลานอนอย่าไปกังวลจะฝันหรือไม่ฝันก็ช่าง เพราะว่าเวลาเรานอนหลับแล้วเราไปควบคุมบางข้ามันไม่ได้มันจะฝันก็ปล่อยมันฝันไปอย่าไปอยากให้มันไม่ฝันทำามคเขาจะเป็นยังไงก็ปล่อยเขาใช่ไหมครับอนก็ดูลมหายใจไปดูลมหายใจไปแล้วพูดโท้พูดโทไปจนกว่าจะหลับหลับแล้วมันจะฝันไม่ฝันก็ปล่อยมันฝันไปอย่าไปยุ่งกับมันแต่ก่อนนั้นแต่แต่ว่ารู้ แต่เหมือนกับว <des> ่าก่อนหน้านี้เวลาที่โยมนอนมันก็หลับไปแล้วมันก็จะไม่เหนื่อยอ่ะค่ะแต่พอมันฝันเยอะๆแล้วมันเหนื่อยไงค่ะพี่เราเราก็ไปยุ่งกับมันมันก็ยิ่งยิ่งยิ่งเหนื่อยเราอย่าไปยุ่งกับมันเสร็จก็ปล่อยมันมันจะฝันก็ป่อยมันฝันไปมันจะไม่หลับก็พอปล่อยมันไม่หลับไปเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเหนื่อยมันหมดแรงมันก็หลับของมันเองแต่เราอย่าไปทํำอะไรัอย่าไปต้านอะไรม ดำานินชีวิตตามปกติของเราถึงเวลาง่วงนอนแล้วก็นอนถ้ายังไม่นถ้ายังไม่น่วงก็อย่าเพิ่งไปนอนบังคับันไม่ได้ถ้ามันไม่ง่วงก็นั่งอาวนาต่อไปหรือลงหายใจพุทโธไปหรือเปิดธรรมะฟังไปก็ได้ฟังไปแร้วเรียกเทิรเดีล้วมันก็หลับเองแต่ถ้าเราอยากหลับมันจะไม่หลับหรือเราอยากให้มันไม่ฝัญมันก็ยิ่งฝันเหญ่ ใช่ทำอะไรไม่เป็นอย่างนี้นะเนี่ยเราอยากเราอยากไปยุ่งมันดีสุดก็ปล่อยเขานะคะอแล้วเสียงต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะพระอาจารย์เดี๋ยวก็มีเสียงพูดเสียงวิวให้รู้ทันรู้ว่าเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เนงปล่อยมันมันอยากจะทำอะไรก็ปล่อยเป็นแต่เรามีชีวิตค่ะพระอาจารย์แล้วอย่าง ตอนที่เดินอ่าเดินจงกรมนั่งสมาธิโยมก็กำหนดไปในแนวทางของธาตุสีเดินไปก็กำหนดไปในลักษณะของดินน้ำลมไฟแล้วควรจะดูร่ากายดูยังยไง ด, ดูที่เท้ า, ทาซ้ายขวาปไปเฉยเฉยไปเรื่อยเรื่อยนเวลาเดิน น, นี่เราพยายามจะสมสติเพื่อหยุดความคิดไม่ให้ไปคิดตอนนี้เรายังไม่ได้อยู่ขั้นปัญญาอย่าเพิ่งไปทางปัญญา อ๋อคะ่ะค่ะอ<ร>ันนี้พยายามสร้างสติเยอะๆให้จิตสงกง่ายๆก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาถ้าเป็นปัญญาเราก็พิจารณาร่างกายว่าเป็นดินน้ําลงไปนะคะค่ะเราที่เราเร า, า, าแตะกระดินนี่ยดินกับดินแตะกันใช่ค่ะอาจารย์แล้วแล้วเวลาที่โยมนั่งสมาธิโยมมันเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนไปถึงว่ามันรู้สึกสว่างมากอะค่ะอาจารย์สว่างแล้วเบา แต่มันหนักแน่นแล้วชัดเจนนะคะพระอาจารย์แล้วมันก็เวิร์กหวังนั่นคือสมาีิตัวนี้หรือเปล่าคะพระอาจารย์ที่เรียกว่าจิตว่างก็วะในระดับหนึ่งอะแต่มันมันต้องมีความสุขด้วยมันต้องมีความมหารัจจใจว่าโอ้นี่เป็นความสุขที่เราไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนมันเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจแล้วหล่ะ สาการต่างๆมาอาจจะไม่ไม่ซ้ํากันนะบางทีมันก็ไม่มีใช่แต่เป้าหมายคือมันสงบมันว่างมันนิ่งมันสบายคือเป็นสิ่งที่โยมไม่เคยไม่เคยรู้สึกขนาดนี้มาก่อนว่ามันหนักแน่นแต่มันแต่มันเบาแล้วมันก็ชัดเจนมากแล้วหลังจากนั้นโยมก็รู้สึกว่าตัวเบาแล้วว่าจะเดินอะไรต่างๆก็รู้สึกว่ามันเบาขึ้นนะคะนั่นแหละแสดงว่าใจมันไม่หนัก ใจมันไม่คิดเมื่อก่อนนี่มันคิดแล้วมันหนักอกหนักใจใช่ไหมร่างกายมันแต่มันไปคิดในฝันไงพะอรย์มันช่วยไม่ได้มันจะคิดก็ฝันไม่คิดไปอย่างงี้มาถูกทางมัลยเราอย่าไปต้านมันก็ฝ่ายมันฝันไปก็ปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ถูกแล้วไหมคะพระอาจารย์ก็พยายามฝึกสติอย่าเพิ่งไปคิดไปพยาามฝึกสติอยู่ความคิดเดินก็ดูดูเท้าหรือพุทโธไปนั่งดูลงหรือพุทโธไป แต่ยังต้องมีอะไรควบคุมจิตนะเวลาทําสมาธิอย่าปล่อยให้มันอยู่เฉยเฉ <ภา S 2> เดี๋ยวมันก็เก <ภา S 2> ิดเรื่องลาวต่างๆขึ้นมาหลอกเราต้องมีสติต้องมีพุโทโธแล้วดูลงหายใจถ้านั่งถ้าเดินก็ดูร่างกายดูเท้ า, าซ้ายขวาซ้ายขวาหรือพุโทโธพุทโธไป <ภา S 2> ท่านนี้เราต้องการควบคุมความคิดให้ได้ก่อน <ภา S 2> ด้วยจิตจะได้สง บ, บงทำให้ทําให้ชํานาญก่อน พอเราทํานาเราสามารถควบคุมความคิดได้เข้าสมาธิได้ต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาเราก็สอนใจให้ฉลาดพิจารณาตายรักว่าร่างกายไม่เพียงเกิดแก่เจ็บได้พิจารณาอะไรต่างๆพระอาจารย์เข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะกราบขอพระคุณค่ะอาจารย์เดี๋ยวมีใครบ้างใครเพิ่งเข้ามาเนี่ยใครอยากจะพูดกับพูดได้เลยนะ เพราะเราไม่รู้ว่าคิวเดี๋ยวเราจัดคิวไม่ถูกใครอยากจะพูดพูดก่อนก็พูดเลยมีมีคุณนุ้ยะคุณคุณนุ้ยไอ o ฟนนะฮะเห็นยกมือขึ้นนะฮะโอเคคุณนุ้เขาเขาเปิดเปิดไมคได้เลยครับพูดได้เลยถามสวัสดีค่ะอยู่นนทบุรีค่ะอาจารย์เออเวลาจะถามไหมค่ะคือหนูศึกษา ธรรมะเนี้ยคะ่ะมาประมาณสี่ปียังไม่ได้สมาธิหรือหรืออะไรที่ว่าเป็นมากกว่าแบบที่จะตั้งใจแล้วก็นั่งสมาธิอคะ่ะยังไม่ได้สมาธิที่แบบว่านา น, านๆเหมือนที่เขาได้กันนะคะก็เลยแต่ว่าหนูก็ฟังมาศึกษามาพระอาจารย์ได้ยินใช่ไหมคะได้ยินได้ยินได้ย <Okay. S 2> ค่ะคราวนี้หนูก็เหมือนอไปเรียนมาเนี้ยคะ่ะเรียนเกี่ยวกับธรรมะทาง youtube มานะคะที่ที่ไม่ใช่ของพระอาจารย์มาก่อ น, นะคะ่ะเหมือนท่านสอนว่า เราอ่ะเป็นศัตวนางหมายในในความว่าใจหนูอ่ะคือหนูแค่อยากจะคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่หนูคิดอ่ะมันถูกต้องแล้วหรือยังอะคะ่ะคือเหมือนว่าเราเป็นศัตวนางก็คือความจริงเราอ่ะไม่ไม่ใช่อะไรเลยอ่ะเป็นแค่สิ่งสิ่งหนึ่งคือแค่มาจับตัวจับก้อนให้มันเป็นมนุษย์เฉยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือสิ่งที่หนูคิดตอนที่หนูนั่งสมาธิแล้วเหมือนมันเพลินไปอ่ะคะ่ะ พอเพลินไปคนหนูจะละนั่งทิ้แล้วหนูก็กลับมาคิดว่าเฮ้ยความจริงแล้วเราไม่ได้เป็นอะไรเลยนะพยายามคิดสิ่งนี้ว่าเราไม่ใช่อะไรเลยนะเราไม่มีอะไรตัวตนซะหน่อยหนูคิดถูกไหมอะค่ะอาจารย์ว่าถูกก็ถูกแต่ผิดตรงที่เวลานั่งสมาธิเราไม่ต้องการให้คิดไปอ้านั่งคิด<ร>มันก็จะไม่ได้ความสงบมันไม่ได้สมาธิการนั่งสมาธินี่ต้องการหยุดคิด<ร>คิดเวลาอื่นเวลาที่ไม่ได้นั่งสมาธิคิดไป แต่ว่าวนั่งมาธต้องหยุดคิดค่ะแต่ว่าคอนเซปต์มันถูกต้องใช่ไหมคะอาจารย์คอนเซปต์ว่คือเราเป็นจิตใจเราไม่ใช่เป็นร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณที่มาเกาะกับร่างกายค่ะแล้วเราใช้ร่างกายพาเราไปไหนมาไหนหพาเราไปดูไปฟังเราเราอยากดูเราก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหู เราก็เลยมาเกาะติดกับร่างกายที่มีตาหูจมูกนิ้วกายให้เราอใช้เป็นเครื่องมือนี่คือเราเราก็คือผู้รู้ผู้คิดในวัดวงวิญญาณตอนที่ไม่มีร่างกายเราก็เรียกวันดวงวิญญาณพอมาติดกับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจแสดงว่าวิญญาณหรือจิตเนี้ยก็คือเราเหรอคะพระอาจารย์คือ<ด>แสงดงว่าเรามีตัวตน ะมันมันไม่เป็นตัวตนอ่ะแต่เราไปว่ามันมันเป็นตัวตนมันเป็นตัวรู้ตัวคิดเท่านั้นเองแต่เราไปคิดว่ามันเป็นตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นตัวรู้ตัวคิดแต่ตอนนี้มันไม่จำเป็นจะต้องไปรู้เรื่องขนาดนั้นอันนี้อันนี้ขอให้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายก็แล้วกันเริ่มท่อนตรงนี้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปทุกข์กับร่างกายก็จะหนูข้ามข้ามเสด็จไปค่ะเออ ออนนี้เราทุกกับร่างกายไหยเวลามันใช่เป็นโรคเป็นอะไรเนี้ยเราเราไม่ได้ทุกข์เราไม่ได้เป็นร่างกายมันหิวเราไม่ได้หิวด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องได้สมาธิก่อนหนูหนเข้าใจถูกไหมคะใช่เราได้สมาธิแล้วใจเราจะแยกออกจากร่างกายแล้วเราจะสามารถไม่เดือดร้อนกับเวลาร่างกายเป็นอะไรได้เวลาร่างกายหิวแต่ใจอิ่มถ้ามีสมาธิใจอิ่มร่างกายหิว ก็ไม่เดือรอนอะไรใช่ค่ะคนที่มีสมาีิอดข้าวได้เป็นวันวันพระพุเจ้าอดข้าวลงสี่สิบเก้าวันนะเพราะท่านอนุากตัวของท่านออกจากร่างกายได้ท่านอนุญากใจออกได้ท่านมีใจท่านอิ่มใจท่านไม่หิวท่านก็เลยอดข้าวได้ งั้นหนูไม่กล้าถามอีกอันนึงเลยอ่ะที่ว่าแล้วโสดาบันอ่ะจําเป็นที่จะต้องได้ฌานไหมคะพระอาจารย์ก็ต้องได้ฌานก่อนแล้วถึงมาเอาปัญเอาความรู้คือปัญญานี้มาสอนให้ปล่อยวางร่างกายปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายโสดาบันนี้ไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายเพราะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นเราเนี่ยโซดาบันรู้ว่าร่างกายไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นใจ ใจผู้รู้ผู้คิดเนเหมือนคนขับรถกับรถยนต์เนี่ยเรารู้ใช่ไหมว่ารถยนต์ไม่ใช่เราอยู่ <S S S รถจนจะเสียรถยนต์จะเป็นอะไรเราไม่เดือดร้อนไม่ใช่เราคนขับนั่นแหละต้องรู้แบบนั้น <Okay. S 2> และจะรู้แบบนั้นได้ต้องมีสมาธิก่อนมีฌานก่อนเนี่ยเมื <Okay. S 2> อมีฌาน <Okay. S 2> มีสมาธิมันมันจะสามารถแยกออกจากกันได้ <Okay. S 2> แยกใจออกจากร่างกายได้ ในตอน <Okay S 1> ต้นนี่ ส, สมาธิก่อนแล้วถึงค่อยไปใช้ใช้ความคิดสารใจให้ปล่อยวางร่างกายต่อไปโอเคค่ะตาหนูไม่ขําช็อตละหนูขออีกคําถามนึงอะค่ะคือว่าจําเป็นไหมคะที่ว่าคือในสมัยพุทธกาลอะมีเหมือนว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนให้สวดมนต์หรือเปล่าอะคะเพราะว่าหนูอ่ะงงว่าหนูจะต้องสวดมนต์ไหมเพราะว่าคําสวดนั้น่ะไม่ได้มาจากพระพุทธเจ้าจริงๆอ่ะคะ่ะหนูก็เลยไม่ใช่ว่าสวดดีไม่สวดดีแบบเนี้ยคะ่ะ แต่นัน่งสมาธิเป็นปกติอะค่ะการสวดมนต์นี้เป็นวิธีหนึ่งที่ยาฝึกสติ <ฮะ S 1> เหมือนกับท่าพุโทโธพุทโธ <ฮะ S 1> ก็เป็นการฝึกสติเพื่อหยุดความคิดต่างๆเนี่ยถ้าเราสวดมนต์ไป <ฮะ S 1> เราก็จะ ไ, ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เ <ฮะ S 1> นี่ยมันเป็นมันเป็นวิธีเจริญสติง่าย ง, งา่ายๆแต่ไม่ไต้อ ง, งทุกคไม้องทุกคนไม่ต้องสวดก็ได้บางคนบางคนก็ไม่สวดก็ได้ถ้าเขาพุโทโธได้ก็พุโทโธไป หรือถ้าเขาดูลมหายใจได้เวลานั่งเขาก็ไม่ต้องพูดไม่นั่งสวดค็ได้เขาก็ดูลมหายใจไปหรือเวลาเดินเขาก็ดูเท้าได้เขาก็ดูเท้าไปดูร่างกายเคลื่อนไหวไปเขาไม่ต้องสวดคือป้าหมายคือให้เขาควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ค่ะอืมโอเคทีนี้คนคนคนสวดกันก็เข้าใจผิดกันมาสวดให้ใเหลวลตสวด อ, อะไรร้อยแปดพันประการไม่ใช่หรอกค่ะ สวดเพื่อให้ใจไม่จําเป็นโอเคคือเหมืนหอนปิดจุดประสง <c oughs> ะสค์อ่าคือประสงค์ก็คือถ้าเราอยู่เฉยเดียว เ, เราอดคิดไม่ได้ถ้านั่งอยู่เฉยเดียวว่าคิดถึงคนในั้นคนในี้เรื่องนั้นเนี้ถ้าเราต้องการให้มันหยุดคิดแล้วก็สวดมันไปถ้าเราทําำถ้าเราทําพุทโธไม่ได้ก็สวดมันไป <c oughs> ใช้พุทโธก็ได้พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเราก็หยุดคิดได้เคค่ะเข้าใจชัดใช้วก็ได้ไม่สวดก็ได้แล้วแต่เรา ถ้าเรามีวิธีอื่นที่ทําให้เราหยุดคิดได้ก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้การสวดก็ไดนะ้โอเครับทราบค่ะพอาจารย์ขอบพระคุณนะคะโอเคท่านต่ อ, อไปทายมือไว้ทายปากไว้พระคุณเลยคุณจันทร์ทองนะฮะคุณสวรทร์ทองเห็นเปิดเห็นเปิดมาอยู่ครับพูดได้เลยครับบอกชื่อก่อนแล้วมาจากที่ไหนจะได้รู้จักอยู่จวัดพะศินครับผมยิงค่อยไปไหนพูดใกล้ๆได้ไหม ครับอยู่จังหวัดกาลสินครับอาจารย์อากาลสินอ่ามีอะไรจะถามไหมไม่มีครับผมติดตามแล้วก็ฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ก็พอแล้วแหละครับผมโอเคถ้าไม่มีก็ให้ท่านอื่นนะอครับสาธุครับอยากจะพูดพูดเลยตอนนี้ามาจุดค้นสักครังอาจารย์ครับโยมเอาคนเดียวชื่ออะไรอันอันนี้ให้โยมปะคะ อ่าพูดได้เลยครับจีฟอ๋อค่ะค่ะยมชื่อชีฟค่ะเคยเข้ามานี่ครั้งที่สามแล้วค่ะพระอาจารย์กับนมัสการค่ะอยู่ที่ไหนอยู่แมรี่แลนด์ที่อเมริกาค่ะอ๋อแมรีแลนด์เข้ามาแค่ะเมื่อกี้ได้ฟังเมื่อกี้มีเพื่อนเข้ามาคนไม่ใช่เหรอคนที่มาบใช่ค่ะใช่ค่ะพอดีเข้ามากําลังฟังเสียงเข้าพอดีเลยไม่รู้เข้ามาเขาออกไปหรือยังเขาออกไปแล้วหายไปแล้วเมื่อกี้ออใช่่อกีนี้ เมื่อก<น>้ชื่อเพื่อนชื่อหุยค่ะที่มาจากม่เวลานี่ใ่ไหใช่ค่ ะ, ะนั้นก็เพื่อนเพื่อนกัละยาณมิตรญาติธรรมเหมือนกันค่ะโอเคเอางี้คุณจี๊ดมีอะไรอยากถามบ้างปะ่ะเมื่อคืนโยมนั่งสมาธิที่โยมเคยถามตอนที่พระอาจารย์เทศน้ากุติอะค่ะโยมเคยถามไปว่าอ่าโยมนั่งแล้วมันปวดขาข้างขวาปวดมากๆากปวดมากๆ ก, ก็เลยพระอาจารย์ก็บอกว่า ยังไม่ถึงขั้นชาญทีนี้โยมก็ลองนั่งเมื่อคืนนี้อีกทีหนึ่งมันก็ปวดขาปวดขาเพราะฉะนั้นก็เลยฟังพระอาจารย์บอกว่าให้แยกกายกับจิตออกจากกันทีนี้โยมก็พยายามอะโอเคเราไม่เราไม่ไปโฟกัสตรงที่ขาก็แล้วกันแต่มันก็ยังปวดพอนั่งไปสักสี่สิบห้านาทีมันก็ปวดแล้วมันก็เบาแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนไอ้ตัวเรามันก็จะหดหดแบบในในในความคิดเน่ยนะคะจิตมันก็จะพุ่งไปว่าแบบเออตัวมันเล็กแล้วมันก็ปวดเข่า ตัวมันเล็กแล้วมันก็ปวดเข่าโยมก็นั่งไปเรื่อยๆพอดีโยมก็เปิดฟังเอหลวงพ่อพูดไปด้วยในขณะที่นั่งนะคะคราวนี้ก็เลยพอถึงเวลาลุ้นแลรู้สึกแบบเออมันใจนึงก็นั่งไปแล้วมันก็เริ่มมีความรู้สึกคิดแบบจิตมันมั่วไปหมดเลยมันก็เลยเอ๊มันอจิตนึงมันก็ง่งงวงง่วงไปด้วยนะคะเกิดเพราะมันตอนนั้นมันห้าทุ่มแล้วอะค่ะเมื่อคืนนี้นุ่นั่งไม่ถูกเอง เวลานั่งสมาธินี่หนูต้องพุโทโธรล ด, ดูลมอย่าไปทําอย่างอื่นอย่าไปทําอย่างอื่นแล้วก็ลดเวลาทำเวลามันเจ็บนี่เราก็ท่องพุโทโธให้มันถี่ไปอย่าไปสนใจยอย่าไปคิดถึงความเจ็บอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโธไปจ่ออยู่กับพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันจะลืมความเจ็บแล้วความเจ็บมันจะไม่ไม่รู้สึกสะเทือนใจมันไม่หายแต่มันไม่ทําให้เราสะเทือน เาจะรู้สึกเฉยๆกัมันได้ใ่ค่ะก็เลยจะทำข้อนึงด้วยแล้วเวลาเราจะเข้านั่งสมาธิเนี่ค่ะคือโยมไม่อยากเปิดฟังอะไรตอนนี้เพราะรู้สึกว่าพอเราฟังคือฟังเป็นสิ่งที่ดีแต่พอสําหรับโยมเองพอฟังไปด้วยนั่งไปด้วยจิตมันจะไม่สามารถจดจ่อกับคําพุทโธพุทโธได้เท่าที่ควร น, นะคะทีนี้เวลาเราจะเข้าเริ่มนั่งเนี่ยค่ะแล้วเราจะออกคือร่ม อ, อยากถามอาจารย์เวลาเข้ากับออก ต้องทำยังไงอะคะก็มีสติเวลาเข้าก็มีสติเวลาออกก็มีสติต้องสวดมนต์ก่อนเข้าไหมคะแบบพุทธะไม่จำเป็นไม่ไม่จําเป็นถ้าเราไม่ต้องการสวดก็ไม่ต้องสวดพุทโธแทนก็ได้หรือมีสติดูลมหายใจไปเลยก็ได้แล้วเออมีสติดูรับเวลาออกมาก็มีก็มีสติดูว่าเรากําลังขยับร่างกาย กําลังลุกกําลังยืนกําลังทำอะไรก็มีสติเฝ้าจดจ่อร่างกายต่อไปเพ ร, ะ า, พระาะเมื่อเมื่อคืนโยมจะลองออกเหมือนแบบจิตในจิตก็จะไม่อยากขอเกอย่ออกอย่ากออกอีกจิตนึ่งก็แบบ อ, ออกเถอะไม่ไหวแล้วก็เลยแบบควรจะอยู่ต่อควรควรจะอยู่ต่อถ้าไม่อยากจะออกอย่าพึ่งให้มันออกอ๋อถ้ า, าถ้ามีรู้ว่าจิตหนึ่งเราไม่อยากออกเราอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกพุทโธต่อไปแล้วดูลงต่อไป อ๋อค่ะแล้วไอ้ความเจ็บนั่นก็อย่าไปอย่าไปสนใจมันก็คือพุโทโธไปอยา่าไปอยากให้มันหายมันจะหายไม่หายก็ช่างขอให้เรามีพุโทโธอยู่ในใจนั่นเราจะไม่เดือดร้อนใจนอยู่กับความเจ็บได้แต่ไม่มีใครที่แบบตายจากการนั่งสมาธิไปหรือแบบล่ า, ลางคือเคยได้ินมีมีโพสต์อันนึงอะคะ่ะเมื่อคืนเมื่อวานนิยมเห็นว่าเขาบอกว่าลูกสาวของเขานั่งสมาธิแล้วจิตไม่เข้าล่าง หายไปเลยใชหรไม่มีหรอกจิตกับร่างกายมันไม่ได้แยกมันไม่ได้ออกจากร่างไปมันเพียงแต่มันแบบว่ามันเพียงแต่สมองตัวลงเท่านั้นเองค่ะแล้วถ้าเราไม่ทำสมาธินี้แล้วเราจะทํายังไงให้จิตเราไม่ฟุ้งซ่านนะคะเหมือนบางที่มันกับจิตต้อใช้พุทโธพุทโธไปคือเวลาอยู่วิปปัจจาวันเราเดินเราทําอะไรเราก็พยายามพุทโธพุทโธไปเลย เรื <c oughs> ่อเฝ้าดูว่าเรากําลังทําอะไรจดจ่ออยู่กับงานที่เราทําม่ได้กําลัง <c oughs> แปลงความก็ให้อยู่กับการแปลงความอย่างเดียวอย่าไปอยู่เรื่องอื่นอ่าไปคิดเรื่องอค่นทำคอยควบคุมต้องมีสติทั้งวันถึ่างนี้ดีควบคุมสติได้ทั้งวันเวลามานั่งมันก็จะสงบได้เร็วแต่ถ้ามีบางขณะเราหลุดแบบโมโหเหมือนกันนิดนิดนิดเดียวนะคะไม่เยอะก็อยากเป็นโมโห เขาบอกโมโหนี่ก็ไม่ดีโมโหก็ทําให้เราเราก็ฟุ้งได้ค่ะก็บอกว่าเราโง่เผลอต้องตำหนิเราอย่าไปตำหนิใครโยมก็มองทีหลังแบบเออเขาแค่เออเผยอีกแล้วเผยอีกแล้วเผยอีกแล้วเผยอแล้วอยากจะไม่กลับมาพูดโททันทีเราพอรู้พอรู้ว่าเผยก็กลับมาพูดโทรพูดโทรต่อเลยไม่ต้องไปคิดอะไรเสียเวลา ค่ะพระอาจารย์แล้วคาถามสุดท้ายนะคะเมื่อวานนิยมลองถือศีลแปดดูอะค่ะแล้วทีนี้จะถามพระอาจารย์ว่าศีลข้อหกคือห้ามฉันหลังยามมีการเอ๊ะห้ามฉันในยามวิการใช่ไหมคะหลังเทียเท่ยงนี้บางบางตําลาก็บอกว่าดื่มนมได้บางตําราก็บอกดื่มนมไมได้แต่เมื่อวานยมยมเพลียมากๆเพราะขับรถก่อนเมื่อวานไปต่างจังหวัดเจ็ดชั่วโมงก็เลยแบบอยากดื่มน้นํานมหวานๆจังเลยก็เลย ก็เลยแบบว่าเออเขาห้ามดื่นก็ต้องถามถามตัวเองด้วยว่าใครหิวกันนะใจหิวหรือร่างกายหิวอันนี้ก็สินแตบเป็นเพราะยอมดื่มนมไปแล้วคือนมนี่ทางสายพระที่เราอยู่ด้วยนี่ถือว่าเป็นอาหารค่ะแต่ดื่มอย่างอื่นทางก็ได้มันก็เป็นน้ําเหมือนกันน้ําน้ําหวานก็ได้น้ําน้ําน้ำสผสมน้ํำพึ่งนี่ก็มันก็หวาน เดินกาไปมันก็อิ่มเหมือนกันนะใช่แต่วันหลังจากที่ยมสั่งไปแล้วยมก็เออเราจะเสียเงินไปแล้วเราจะไปเอาดีไหมเราไม่เอาดีไหมเออไปเอาก็ได้แล้วลองดื่มดื่มไปก็แบบเหมือนความท้องละมันใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันไม่น่าจะใช้อ่น้ำปานะนะก็เลยแบบน้ำผลไม้น้ำส้มก็ได้น้ำส้มก็เหมือนกันนะเดว่ามันเข้าไปในท้องมันก็เป็นน้ำเท่ากันปริมาณเท่ากันมันก็อิ่ จ้าค่ะก็แสดงว่าเอาไม่เป็นไรย้งโอเควันนี้พลาดไปแล้วเดี๋ยวเราตั้งใหม่อีกรอบได้อ่าลองดูใหม่พยายามรักษาให้ได้นะค่ะค่ะต่อนต่อไปคใครอยากจะพูดพูดเลยนะเพราะคุ ณ, ค, ณคุณต้องตาครับคุณต้องตายกมือนะฮะเปิดไม้ได้เลยครับอ่าแอดมินเป็นคนช่วยจัดนะนะเพราะเราไม่ครับใครใครจะพูดยกมือขึ้นก่อนนะครับอยา่าคุณต้องตานะฮะได้ยินไหม อ่านกันคุณปนัดดาครับคุณปนัดดาเปิดไม้ได้ครับอ่าอย่างงั้นเป็นคุณสมชายครับคุณสมชายพูดได้ครับเปิดไม้แล้วครับน้มสักการพระอาจารย์นะครับผมผมสมชายอยู่ที่กรุงเทพนะครับก็ <Yeah. S 2> ว, วันนี้ก็มาเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกของพระอาจารย์พอดีโชคดีก็จะมีคําถามจะถามพระอาจารย์อยู่สัก สองข้อนะครับอาจารย์ก็คือผมก็เคยเดินจงกรมมาล้างสมาธิอย่างเนี้ยครับนี่เวลาเดินจงกรมเนี่ยมันเหมือนเดินรู้ลมหายใจบ้างหรือดูเท้าบ้างรู้สึกตัวบ้างตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราจับจุดตรงไหนอครับอาจารย์อ๋อจับจุดที่เท้าเนี่ยดูที่เท้ า, เ, าเพื่อไ ม, ไม่ให้คิดเพื่อไม่ให้ไปคิดอยู่ที่ว่าเราคิดหรือไม่คิดอ๋อ คือจับุดท <stories> ี่เท้าเลยเราไม่ต้องดูลมพุทโธหรือหายใจก็ได้ใช่ไหมครับเอาอย่างเดียวเอาอย่างเดียวก็พอถ้าเดินนี้เราเอาเท้าอย่างเดียวก็พอถ้าพุทโธก็ไม่ต้องดูเท้าก็ได้พุทโธพุทธโธเรื่องเอาอย่างได้ย่างหนึ่งใช่ไหมครับอ่าออย่างไหนเราถนัดแบบไหนก็อย่างนั้นเพื่อไม่ให้คิดเป้าหมายต้องไม่คิดไม่ให้ไปคิดถึงอดีตไม่ให้ไปคิดถึงอนาคตไม่ให้ไปคิดถึงคนนั่นคนนี้ทําใจให้ว่างครับผม โอ okay, เคเข้าใจแล้วครับผมนี่อีกประเด็นหนึ่งครับขอญาติพระจารย์อีกประเด็นหนึ่งคือคือผมก็นั่งสมาธิด้วยนะครับพอนั่งสมาธิเนี่ยมันเหมือนนั่งแล้วมีความสุขแล้วนั่งนิ่งไปเลยนั่งเฉยและชอบนั่งแต่ว่ามันเหมือนนั่งก็เหมือนกับแช่อยู่ครับอาจารย์ไม่รู้จะยังไงก็คือบางทีเพิ่งรู้ตัวเอา้าไปเกือบเชั่วโมงแล้วหรือครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วแต่ว่ามันเหมือนนิ่งไปเลยช่วงนั้นไม่รู้ว่า มันรู้สึกตัวหรือเปล่าจําไม่ได้อยู่ก็อ้าวมันนานเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะแต่อยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมง ก, กว่าๆมันมันเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยอะครับอาจารย์มันมันเกิดจากอะไรอ๋อคือเวลามันผ่านไปเพราะเราไม่สนใจแต่ข้อสาคัญเราต้องรู้ตัวนะรู้ว่าเรานิ่งเราสงบเราสบายเราไม่ได้หลับอถ้าไม่รู้ตัวเลยก็แสดงว่าเราหลับอ๋อนั่งหลับเ <laughs> ดี๋ยวเดี๋ยวว่านั่งมันก็นั่งมันก็นั่งเฉยอย่างนั้นนะแต่ผมก็ พอพอรู้สึกตัวอ่ะมันก็รู้สึกมาช่วอ่ะเมื่อกี้มันนานไปเท่าไหร่ไม่มันมีเป็นช่วงๆที่ไม่เหมือนเหมือนกับไม่รู้สึกตัวเลยอย่างเงี้ยบางทีสติมันเพลิมันก็หลับได้มันก็หลับต<ป>ื่นตื่นหลับหลับตื่นตื่นสลับกันได้อ๋อแสดงว่าถา้ถาถา้ถาถา้าถ้าเรานั่งอยู่เราเราพุโทโธอยู่เรื่อยๆไม่ไม่ต้องไปไหนอย่างนั้นใช่ไหมจ๊ะได้เวลานั่งสมาธิไม่ให้ไปไหนให้นิ่งให้สงบอย่างเดียวนิ่งสงบอย่างเดียว าเท่าไหลยก็แล้วก็มีความสุขแล้วก็มีความสุขจากการนั่งใช่ใช่แค่นั้นเองถ้าต้องการไปขั้นต่อไปต้องไปทางปัญญาต้องไปพิจารณาใยรักพิจารณาร่างกายอ๋อคือตอนแรกๆเนี่ยนั่งมันปวดมากเลยจนผมทนทนจนภาคหลังมันเหมือนชาไปเลยแล้วมันไม่ปวดแล้วมันมันเหมือนมีความสุขอยู่อย่างนั้นนะมันมันมันก็เหมือนกับอยู่งนั้นครับท่านเปนอย่างนั้ พอใจมันสงบแล้วมันก็เฉยกับความเจ็บได้เอ่ครับไม่เดือดร้อนแต่พอออกมามันก็ชาขาไปหมดเลยเอ่าไม่เป็นไรเพราะมันกลับมารับรู้แล้วมันอมันไม่สงบแล้วมันไม่มันไม่นิ่งแล้วมันก็เลยรับรู้แล้วก็มันก็เกิดความอยากขึ้นมาแล้วอยากให้มันหายเจ็บอ๋อสรุปคือนั่งสมาธิเราเราก็ดูเราก็พูดถัวไปเรื่อยแล้วก็รู้สึกตัวเออ จะแบบไม่ให้มันเรนนี้ปั๊บเราเราก็ไปไปไปรู้ไปไปรู้อะไรไปรู้มืนรู้ปัญญาที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้นะทําไงปัญญาต้องรอจากสมาธิก่อนออกจากสมาธิแล้วก็มาพิจารณาร่างกายร่างกายของเราเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายทํามาจากดินน้ําลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราอย่าไปยึดไปติดมันปล่อยมันห้ามมันไม่ได้ ทำให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้เราพี่นราตอนที่มันมีความสุขได้ไหมครับพรอาจารย์หรือมันตอนไหนก็ตอนที่ออกจากสมาธิมาโอตอนที่ออกจากสมาธิแล้วนะครับออ่าย่าไปทําในตอนที่อยู่ในสมาธิเท่านั้นตอนนี้ก็พิจารณาได้เดี๋ยวเวลาไปนั่งไปทําอะไรอยู่ก็ดูร่างกายเราสอนไปอยู่เรื่อยเตินอยู่เรื่อยต่อไปไม่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะพร้อมหรือยังพร้อมแก่หรือยังพร้อมเจ็บหรือยังพร้อมตายหรือยัง เราไม่พร้อมสแสดงว่ามันยังไม่ปล่อยมันยังอยากอยู่อยากลดทุกข์พอมันอยากก็มันจะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยอย่าไปอยากมันครับผมนอนนะโอเคครับประธานครับ็จะอธานตอนนี้มีคนเข้ามาเท่าไหร่นะครันมีตอนนี้มีตอนนี้มียี่สิบแปดคนครับขึ้นขึ้นไปสู่สูตรที่สามสิบเออคุณธอมเมื่อกี้คุณธอ ม, มยกมือใช่ไหมครับ เปิดไม่ได้เลยครับเงยเงสวัสดีครับกับนวัตประการพระอาจารย์ครับเอผมทอมจากกรุงเทพนะครับจากกรุงเทพครับเมื่อกี้คาถามจากเพื่อนเพื่อนเบื้องต้นที่พูดถึงเรื่องฌานนะครับอยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่าฌานนี้เราจะสังเกตยังไงว่าเราปฏิบัติแล้วมันถึงฌานระดับไหนยังไงเนี่ยครับอไม่ต้องไปสนใจครับก็ให้เรามีพุทโธดูลงไปแล้วเราจะรู้สึก สงบขึ้นทีละเทียงน้อยตามลําดับมันก็เป็นชาติขั้นบบต่างไปครับนะเนี่นเวลานั่งปฏิบัตินี่เราไม่ต้องไปสนใจว่าอยู่ขั้นไหนครับไว้แล้วอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเยืดดูลมไปแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่าออมันเบาลงเบาลงทีละขั้นบางทีมันก็ไม่ได้เป็นขั้นบางทีพูดพลาดลงไปถึงขั้นต่ําเลยก็มีขั้นเลือยก็มีเครับเราไม่ต้องไปสนใจ สนใจอยู่ที่สติควบคุมใจอย่าให้ไปคิดถึ ง, งเรื่องราวต่างๆครับคืออย่างตอนนี้ที่เวลานั่งเนี่ยถามว่าตัวเองมีสติไหมเวลาปฏิบัติก็คิดว่าตัวเองทําได้ควบคุมสติได้หรือบางครั้งเราสมมติเรากําหนดว่าหนึ่งชั่วโมงเราจะนั่งเนี่ยพอถึงชั่วโมงหนึ่งปุ๊บเหมือนเรายังมีสติแต่เราถอนจากจากสมาธิเราไม่ได้อย่างเงี้ยที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเราก็ให้นั่งต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับใช่ต้องฝืนความอยากที่จะลง ถ้าอยากจะอยากจะผ่านอยากจะผ่านขั้นตอนนี้ไปงั้นมันก็จะติดตรงนี้ทุกครั้งวันนั่งถึงจุดนี้แล้วมันก็อยากจะลดเพิ่มอย่างนั้นเราควรจะต้องแบบสมมุติเราทําได้ชั่วโมงหนึ่งเราก็พยายามเซตให้เป็นสองชั่วโมงสมชั่วโมงอย่างนี้หรือเปล่าครับได้พยายามดันมันไปเรื่อยๆแล้วจิตจะได้มีกําลังมากขึ้นครับมีความส น, นงบมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นครับน โดยเฉพาะเวลาช่วงที่มันเจ็บนี่ต้องพยายามฝันฝ่าวาไปให้ได้ครับออย่างตอนนี้ชั่วโมงหนึ่งอะไม่ไม่เจ็บชั่วโมงหนึ่งยังไม่เจ็ บ, ค, บคิดว่าน่าจะสักสองชั่วโมงถึงจะเริ่มที่สุดมีอาการชาๆอะไรเงี้ยครับเอก็เวลาช้าก็พยายามฝึกเจ็บให้อยู่กับมันให้ได้อย่าประยาดให้มันหา ย, รยาประหยาดขยับแข้งยขยับขาปล่อยมันเจ็บไปฝึกอยู่กับความเจ็บเพราะต่อไปร่างกายเราต้องเจ็บไข้ได้กวด ถ้าเราอยู่กับความเจ็บได้เราจะได้ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ครับได้ครับขอบพระคุณครับโอเคขั้นต่อไปครับเชิญคุณต้องตาครับคุณคุณต้องตานะครับยกมือเปิดเปิดไม้ได้เลยครับนักแสดงพระนทร์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนจ๊ะจากจังหวัดลบบุรีเจ้าค่ะอ่ามีอะไรจะถามเชิญเลยยอมเป็นเป็นสาวประเภทสองเจ้าค่ะอยากจะกลาบเวียนถามพระจันทร์ว่า อถ้าเราฝึกภาวานาแล้ว่คนที่เกิดมาเป็นสาวข้ามเพศเนี่ยมีโอกาสที่จะบรรู้ธรรมไหมก็ค่ะได้มีทุกคนเนะี่ยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่จิตใจจิตใจไม่มีเพศนะจิตใจของพวกเราทุกคนเหมือนกันที่มันเป็นเพศเพราะความชอบนะถ้าเราชอบผู้ชายเราก็เป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ถ้าชอบผู้หญิงมันก็จะเป็นผู้ชายนะแต่ที่บางทีมันมันสลับกันนะชอบผู้ชายแต่มันไม่ได้ร่างกายผู้ชาย ขึ้มาเหมือนควรจะได้ร่างกายผู้หญิงนี้ยแต่มันไม่มันไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นปัญหาสําหรับการบรรลุ ธ, ธรรมเพราะบรรลุ ธ, ธรรมนี่อยู่ที่การกําจัดกิเลสกาจัดความลักความชังกําจัดความโลภโกรดหลงทุกคนมีเหมือนกันผู้หญิงผู้ชายมีประเภทสองประเภทสามก็มีโลภโกรดหลงเหมือนกันเราก็ต้ใช้การปฏิบัติสมาธิกับปัญญาเราก็จะสามารถหยุดความโลภความโกรดความหลงได้ พออยู่ได้แล้วก็บรรู้ทำได้บรรู้เป็นพระสูดาบันพระอะไรต่างๆได้ยังไม่ต้องกังวลว่าเป็นเพศอะไรนะครับอย่างโยมเคยไม่ต้องเป็นนักบวชเลยบางคนเป็นฆราวาสก็บรรู้ทำได้บางคนเป็นเด็กก็บรรู้ทำได้นะครับอย่างบ้างโยมเคยฟังทำมาว่า คนที่เกิดมาเป็นเพศที่สามนี่เหมือนกับว่ามีวิบากกรรมทํากรรมมาหนักอะไรเงี้ยเจ้าค่ะและแบบว่ต <c oughs> <reco Christ. S 2> ้องไปเกิดอีกทุกคนมาเกิดนี่มีกรรมด้วยกันทั้งนั้นถึงมาเกิดนั้นไม่ไม่ไม่ไม่ไม่จริงหรอกทุกคนถ้ามาเป็นมนุษย์นี่ถือว่ามีกรรมน้อยแล้วถ้าไปเป็นเดรฉานเนี่ยเป็นกรรมมากกว่าถ้าไปเป็นเปรตเนี่ยมีกรรมมากกว่าการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่แสดงว่าเราไป เราไปชำระกรรมเกือบหมดแล้ววิบากต่างๆบาปที่เราไปทําไว้เราไปใช้กรรมแล้วเราถึงจะได้กรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ได้ยังไม่ต้องไปกังวลกับเสียงเสียงนอกเสียงกล า, างอยนี้ไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงเราื่องราวเหล่าลนี้ uh huh. พระพุทธเจ้าบอกสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนจะทํากรรมอันใดไห้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนะอแ่าง yeah. อย่างอย่างโยมนี่ก็แบบทํางานแล้วก็โยมก็ภาวนาไปอย่างเงี้ยโยมก็สมมุติว่าอย่างสุขสาวอาทิตย์ริงเงี้ยโยมก็จะไปไปปฏิบัปรมไปภาวนาอย่างเงี้ยถือว่าโยมสร้างเหตุไว้ไว้ดีแล้วยังก็ค่ะแบบการสมุนเรียกได้ว่าสมบุนสะสมบุญนะการไปรักษาสิ่ไปภาวนานี่เป็นบุญขั้นสูงเป็นบุญระดับพรหมกับระดับพระอริยะเจ้า ถ้ารักษาศีลห้าทำทางก็เป็นระดับเทวดาถ้ารักษาศีลอย่างเดียวไม่ทําบุญก็เป็นระดับมนุษย์ใช่ค่ะเหมนทำไปเอ่อฝึกไปปฏิบัติไปเดี๋ยวเดี๋ยววันวนังความความความความเข้าใจความรู้แจ้งก็จะเกิดขึ้นกับจิตโยมเองใช่ไหมใช่คะอย่างตอนนี้โยมก็โยม ก, ยม ก, ยมก็ฟังธรรมะของพระอาจารย์มาโยมเคยไปฟังที่เขาเขาชิโอนกรงก็เคยไปแล้วก็โยมก็ฟังมา หลายๆหลายหท่านแล้วก็โยมก็ประกาศว่าแม่ครูบาอาจารย์เสร็จแล้วโยมก็เวลายอมนั่งสมาธิอย่างเงี้ยโยมก็อ่าก็เหมือนสักแต่ว่ารู้เงี้ยเจ้ค่ะพระอาจารย์อย่างนี้โยมทาถูกต้องไหมเจ้าค่ะเช่นยรู้ว่าโยมกําลังหลงไปโยมก็ดึงสติโยมกับลมหายใจโยมรู้ว่าโยมกำลังฟุ้งซ่านเลยแม้กะทั่งการเสริญสติในชีวิตประจําวันอย่างเช่นโยมสอนเด็กอเงี้ยเจ้ค่ะอย่างเด็กมาทําให้โยมโกรธอย่างเงี้ยแต่บางทีโยมก็หลงไปโยมก็ไม่รู้ว่าเราโยมกำลังโกรธแต่พอมีแบบตึ๊บขึ้นมาแบบเหมือนมี ติขึ้นมาว่าโยอมรู้เท่าทันความโกรธอย่างเงี้ยยอมก็รู้สึกว่าโยอมกาลังโกรธอย่างเงี้ยความโกรธมันก็ดับหายไปอย่างนี้ยอมถือว่าโยมเอาธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวันที่ถูกต้องไหมเจ้าคะพระอาจถูกต้องแล้วละ่ะถ้าเราสามารถหยุดความโกรธหยุดความโลภได้ก็แสดงว่าเรามีธรรมะแล้วแต่แต่ว่าตอนที่มันเกิดขึ้นโยอมไม่รู้นะเจ้าค่ะก็สติเราไม่ทันตลอดเวลาเานี่ยช้ากว่ามันแต่ยังไงก็ยังดีว่าเวลามันเกิดแล้วเราไม่ไปนไม่สติต่างไม่ไป แสดงอาการบ้าบอคอแตกออกมาอย่างน้อยพอเรารู้เราก็ระงับมันแล้วเราก็กลับมาเป็นปกติกได้บางคนวเวลามมบางคนเวลากดแล้วก็อารวาดเลยแสดงว่าไม่มีสติเลยอย่างนี้ถ้าโยมฝึกภาวนาต่อไปสมเหตุสมผลไปโยมฝึกสมรราแบบจนโยมแบบว่ามีสมาธิมีกำลังเนี้ยเมื่อก่อนคือโยมเข้าใจผิดโยมไปเดินปัญญาแล้วโยมเหมือนกับ จิตยมไม่มีกําลังองนี้เจะค่ะและ <Okay. S 1> ยมก็เหมือนยอมหลงทางแล้วพอยมโยมได้ไปไปฟังพระอาจารย์เทศตอนที่อยู่ที่เขาเชิญพระอาจารย์บอกว่าเหมือนกับเราต้องฝึกสมาธิเราให้ให้ดีซะก่อนเหมือนให้มีกําลังในการเจริญเจริญปัญญาอย่างนี้แล้วตอนนี้ยมก็เลยก็กลับมาฝึกสมาธิแล้วพอจิตยมเหมือนกับยมไม่รู้ว่าสงบเป็นยังไงแต่ยมรู้สึกว่ามันเราไม่ได้คิดฟุ้งซ่านแล้วก็ ควารู้สึกโยมมันมันจิติตรงกลางใจแต่ว่าโยมยัง ร, รู้รู้รู้สึกลมพุทโธอยู่แต่ว่าโยมจะติ่มติ่มตรงกลางหน้าอกเนี้นะคะอา่ารย์ยิ่งถือว่าโยมสงบหรือยังนะคะหรือว่ายยมฟุ่นซ่านอยู่ประมาณครึ่งทางเข้าไปประมาณครึ่งแยังไม่สงบเต็มร้อยถ้าสงบเ ต, ต, ต็มร้อยวความคิดจะหายไปจะเหลือแต่ความรู้อย่างเดียวรู้แล้วก็มีแต่ความว่างอยู่ในใจแล้วก็มีความสบายใจมีความสุขใจ มาก่อนขึ้นมางั้นทําต่อไปถึงขั้นนั้นแล้วก็อย่าเพิ่งหยุดถ้าพุโทโธก็พุโทโธต่อไปถ้าดูลงก็ดูลมต่อไปทำไบเรื่อย <c oughs> แล้วเวลาทําอย่าไปคาดว่าเออมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบอย่าไปคิดอยากทําทเป็นไม่รู้ไม่ชี้ถ้าไปจ้องไปจาวกับที่ผลมันไม่เกิดต้องจอ่อจออยู่ที่เหตุคือพุโทโธหรือลมหายใจแล้วเวลามันจะเกิดบางทีมันเกิดแบบกระทันหันปุ๊บเข้าไปเลย ตอกวบลงไปเลยถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็ทำต่อไปทำต่อไปค่นะอาจารย์หมดคํดสัง่สงแล้วนะจุดทามแล้วนะออสมาธิก่อนน ะ, ะส่วนปัญญาคิดได้บ้างนะเวลาออกจากสมาธิมาถ้าอยากจะคิดบ้างก็ได้คิดว่าเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะะะบางทีโยมโยมพิจารณาดูเด็กนักเรียนก็เจ้าค่ะแบบว่าเห็นเขา เติบโตมาแล้วเดียวมองไปเยันถ้าจะให้โยมกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งยันโยมท้อนะคะอาจารย์โยมโยมไม่อยากต้องกลับไปไปเรียนตั้งแต่อนุบาลแล้วแบบชีวิตมันชีวิตการเกิดมันเป็นสาวข้ามเพศที่มันยากลำบากนะคะแต่ก ว, กว่าจะได้มาแล้วก็สัการกว่าจะมาอยู่ตรงนี้มันก็เหมือนมันเหนื่อยก็ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าโยมก็ก็เอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจเอบธรรมะมาสอนใจว่าต่อไปเราอยากกลับมาเกิดดีกว่า ปฏิบาาัติทำให้็งขันอดทนแล้วจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิด น, นะทางโทรจ้ะค่ะพะอาจารย์โอเคเอาท่านต่อไปคุณคุณต่อครับคุณต่อเห็นยกมืออยู่นะครคุณต่อพูดได้เลยครับนรมัสการครับพระอาจารย์ผม ช, ชื่อต่อครับจากอายุธยายครับอยุธยาครับว่ามอ้ยมีข้อสงสัยว่าเอนัอ่งสมาธิแล้ว รวังกับการหลับเนี่ยมันต่างกันยังไงครับแล้วก็นิมิตกับเอความฝันตอนตอนนั่งอยู่แล้วก็หลับไปด้วยเนี่ยมันต่างกันยังไงอ้าวทีละอย่างระวังเวลาเนี่ยมันแสดงว่าไม่ไม่มีสติมันก็หลับถ้ามีสติมันก็เป็นสมาธิมันก็สงบอืมต่างกันตรงที่มีสติแล้วไม่มีสติรวังหลับกับรวังสมาธิ ถ้ามีสติรู้สึกตัวตลอดเวลาก็แสดงว่าเป็นสมาธิเป็นความสงบถ้าถ้าเข้าราวังแล้วไม่รู้ตัวอะไรก็แสดงว่าหลับหมดจัดตัวนี้มิตกับฝันนี่ก็ตัวเดียวกัน<อ>มันเกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราเนี่ยทั้งขาอาจารย์เข้าใจหัหยอยากจะถามอะไรไหม คุณผูณต้ตอไปแล้วฮะเมื่อกี้เห็นคุณสุภัสตาหรือเปล่าฮะเปิดเดไม้ได้เลยครับเปิดแล้วค่ะพูดได้เลยจะอยู่อยู่ไหนนะกับนักมัสการครับพระอาจารย์หนูอยู่ดัลลัสเท็กซัสเจค่ะอ๋อดัลลัสเท็กซัสใ่เคยไปกับพระอาจารย์ที่เขาชีโอนนะคะเมื่อสองปีที่แล้วน่าจะสองปีที่แล้วค่ะได้มีอะไรอยากจะถามไหม คือคืออยากจะถามนะคะว่าคือหนูพยายามพอกลับมาจากกรุงเทพอะหาก็มาแล้วก็พยายามฝึกปฏิบัติเรื่อยๆอยากทราบว่าทําไมแบบเดือนมกราเดือนแรกที่ฝึกก็มีความสุขดีแต่พอพอพอประมาณเข้าเดือนกลุ่มพาเข้ามารู้สึกความทุกข์ทาไมถึงเข้ามาเยอะคือคือความทุกข์เนี่ยคือเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความคิดนะคะความคิดเจ้าคขามันเข้ามาเยอะมากว่ า, าราิน้อยมเรา เราเราลดสติเรามันก็เลยเปิดให้เรื่องราวต่างๆเข้ามาได้เราต้องพยายามรักษาสติไว้ให้มันอยู่ในระดับเดิมหรือมากขึ้นไปค่ะโดยโดยเฉพาะความอารมณ์และความคิดเกี่ยวกับเรื่องของของการตายอ่ะค่ะภาวะจิตที่กลัวตายแบบเข้ามาเยอะมากจนแบบจนแบบมันรู้สึกทุกข์ทุกข์มากอ่ะเจ้าค่ะพราะเราไม่พูดโทงเเราปล่อยให้มันคิดมันก็เลยทุกข์ขึ้นมา เมือเราเริ่มคิดแล้วก็ต้องหยุดมันพุโทโธพุทโธไปแ่งกับมันหรือใช้การสวดมนต์ไปก็ได้อิอติปิโสกัตวาสัมมาไปแล้วค่ะตอนที่เร า, เราปฏิบัติเรื่องแรกเราได้ผลดีเราก็เลยชะลาดใจพอเราชะลาดใจไม่ไม่เจริญสติต่อมันก็เลยเปิดช่อมให้ความคิดต่างๆกูเข้ามาเป็ น, น, เ, ปนเป็นปกติไหมคะว่าจะต้อง เจอทุ ก, ก่อนคือจะต้องเข้าใจทุกตรงนี้ก่อนถึงจะแน่นอนแน่นอนทุกคนต้องต้องเจอทุกแล้วผ่านทุกให้ได้ด้วยปัญญาด้วยสติค่ะลูกลูกก็พยายามแบบ เขาเมื่อก่อนคือพยายามไม่อยากทุกข์ผักใส่ทุกข์แต่ตอนนี้ก็พยายามคิดว่าถ้าทุกข์เข้ามาก็ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องหาสุขก็ได้ก็ก็อยู่กับมันก็ก็คือพยายามจะท่องบริกรรมไปเรื่อยๆนะเจ้าค่ะจะทุกข์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันรู้สึกอารมณ์เข้ามาแล้วเราเลี่ยงไม่ได้ก็ก็อยู่กับอยู่กับไปอยู่กับไปแล้วก็ใช้พุทโธสู้กับมันไปไม่ต้องไม่ทาแล้วเจ้าค่ะทีนี้ ทุกข์ทีนี้พอมาเดือนนี้เนี่ยประมาณเดือนนี้ลูกไม่สบายหนักค่อนข้างจะไม่สบายหนักทีนี้ลูกอ่านหนังสือเจอของของหลวงพ่อชาแล้วก็แล้วก็หลวงพ่อชาบอกว่าให้มองว่าทุกอย่างมันก็แค่นี้แหละคือคือความคิดอารมณ์มันก็สักข้อความคิดสักแต่ว่าอารมณ์ก็มันก็แค่นี้แหละทีนี้ลูกก็เลยเวลาลูกทุกข์มากๆลูกก็เลยเปลี่ยนคำบริกรรมเป็นว่ามันก็แค่นี้แหละมันก็แค่นี้แหละ มันให้ยึดติดอะไรทั้งนั้นมันก็แค่ลูกก็เลยท่องอย่างเงี้ยแล้วทาให้ใจลูกสงบลงมากค่ะลูกจะใช้คําบริกรรมนี้ได้ไหมเจ้าค่ะได้ได้ถ้ามันใจสงบใช้ได้ทั้งนั้นค่ะแต่ละคนอาจจะต้องเลือกวิธีต่างๆกันค่ะมันก็แค่นี้แหละช่างมันช่างโอ้ช่ใช่เวลาทำอะไรไม่ได้ไปทกกับมันทําไมใช่เจ้าค่ะเจ้าค่ะ รูกก็เลยแบบท่องแบบพอพอความคิดเข้ามาพอความคิดเข้ามาลูกเลยแบบเออมันก็แค่นี่แหละมันก็แค่นี่แหละก็ท่องทั้งวันทัองคืน จ, นจนจนรู้สึกใจสงบอะเจ้าค่ะใจปล่อยวางไงแทนที่จะไปแกล้ ง, ย, งลยอมรับความจริงความอยากมันชอบไปแก้งแล้วพอแก้งไม่ได้<ช>มันก็เลยทุกข์ น, นันเอเจ้าค่ะ เานั้ลูกใช้คำบริกรรมนี้ได้ใช่ไหมคะทไปไ เ, เรื่อยๆว่ามันก็แค่นั่นแหละแ ต, แต่บา ง, บางทีบางทีใช้บ่อยๆมันอาจจะมันอาจจะมันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนคด้ค่ะแล้ ว, แ ล, วแล้วบางบางวันลูกใช้ลูกใช้ อ, อ, อิติปิโสแล้วก็บางวันใช้บางปรเนี่สลับใช่ใช่สลับกัน <c oughs> บางทีใช้อันนี้ใช้ไม่ได้ก็เปลี่ยน ใช้พุทโธบ้างช่างมันบ้างช่างหัมันบ้างไฮรักบ้างอันนี้จังทุกขังน่าตาบ้างก็เป็น่างนี้แหละบางทีต้องสลับบ้างต้องสลับมันเพราะว่าบางทีใช้อันเดียวมันชื่องอีเล็กมันรู้ใช่จ้าวขาวใช่จ้าวขาวจะถ่ายรูปจะพักก็พยายามแบบ บริกรรแล้วก็ก็คือก็คือทุกอย่างทุกวันเนี่ยก็คือแค่ปฏิบัตินะคะก็ฟังเทศสวดมนต์อยู่กับตอนนี้คืออยากจะรู้ว่าถ้าศึกษาทังนี้แล้วเชื่อว่าจากทุกแสงสว่างทุกวันนี้คะก็ต้องฝึกสมาธิด้ว ย, ยพยายามฝึกนั่งสมาธิด้วยเพราะถ้ามีสมาธิแล้วมันจะทำให้เราแก้ปัญหาได้เร็วไปปล่อยวางได้เร็วไ้ก็ค่ะก็ค่ะเราจะ ใช่ค่ะจะจะพยายามจะเข้าใจทุกให้มากที่สุดจะอยู่กับทุกให้ได้เจ้าค่ะพยายามอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆฝนตกก็อยู่กับมันมันร้อนก็อยู่กับมันอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างอื่นเมื่อมันจะทําให้เราทุกข์ลาทุสัสุกขัสทุสัสครับมีอะไรอยาถามอีกไหมไม่ไม่มีแล้วค่ะหมดหมดทุกอย่างแล้วที่สงสัยเจ้าค่ะจะทำต่อค่ะ ก็ฟังก่อนนะอย่าพู่ไปก็ได้เดี๋ยให้คนหนึ่งถามก่ะนีจาได้มีโอกาสครับุ่านต่อไปการพร้อมจะพูดก็พูดได้เลยท่านสิษยทศักดินะฮะสิทศักดิ์ท่านเป็นพระครับอ๋พึ่งเข้ามาครั้งแรกครับอาจารย์นมาสการอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่ร้อยเอดครับร้อยเอ็ดมาได้ยินมา วันได้กี่ภาษาแล<ะ>้วปวดใหม่มากเลยครับเพิ่งได้สิบวันเองครับอ๋อเพิ่งสิบวันนอะแล้วการจะบวชนานไหมกล่าวว่าจะปวดนานอยู่ครับก็เลยเข้ามาศรัทธาพระอาจารย์อยู่ครับก็เลยตามติดตามครับได้มีอะไรอยากจะถามไหมอ๋อไม่มีครับฟังฟังมาก็ได้ความรู้แล้วครับขอฟังดีกว่าเอาได้สาธุยัง<า>ไงท่านอื่นที่อยากจะถามได้พูดนะครับ ไม่เป็นไรไ ม, ไ, มไม่ไม่ถามดีกว่าฟังเราดีกว่ายินดีต้อนรับ <c oughs> นะยินดีครับขอบคุณครับการพอาจารย์ครับครับคุบต่อไปใครจะถามยกมือขึ้นเลยนะครับเปิดใหม่คุณเกษรินครับคุณเกษรินพูดได้เลยครับกลาวนรการของพ่อค่ะอยู่ที่ไหนหนูอยู่อเมริกาค่ะเมืองไหนหนูอยู่นอร์ทแคโรไลนาค่ะเคยเข้ามาครั้งหนึ่ง อาราวที่แล้วที่ที่พูดนะอ่าเข้าใจแล้วจําชิจำที่ได้อยู่ยคนเดียวอยู่กัร น, นกแค่นี้นกอยูตัวเนี้ยไหมเจ้าค่ะอืมปรดีว่าเมื่อเมื่อวานเนี้ยหนูนั่งสมาธิแล้วหนูมีอาการาาหนูคือว่าหนูมีปัญหาทางด้านเรื่องหลังอยู่นะคะแล้วก็พอนั่งสมาธิไปแล้วอาการปวดหลังมันกาเริบหนูก็เลยใช้คือว่าดูลมหายใจแล้วก็ กำหนด จ, จิตดูที่ตรงหลังว่าเราปวดหรือว่าหลังมันเป็นอาการของเออหลังนะคะไม่เกี่ยวกับจิตเราเมันก็ไม่หายค่ะหลวงพ่ อ, อ, อหนูก็หนูก็หายใจเราใจอาจจะหายคือใจเราอาจจะเบาได้ถ้ารู้ว่ามันไม่ได้เป็นเราค่ะพอดีนุก ห, หนูก็ดูลมหายใจต่อไปเรื่อยมันก็ไม่หยุดไม่หยุดหนูก็ว่าเอา้าใจหนูก็พูดกับตัวเองว่า กายกับจิตมันไม่ใช่อันเดียวกันมันคนระส่วนกันตายก็ตายโว้ยหนูขอบผ่านพันนะคะหนูเอาตายก็ตายปล่อยมันเถอะเออมนนนั่งสมาธิก็ตายให้ตายก็ปล่อยแม่งเถอะหนูก็คุยกับตัวหนูเองนะเจ้าค่ะมันมันก็เฉยไปเลยมันก็ไม่สนใจมันก็ปล่อยวางไปเลยนั่นแหละจิตปล่อยวางนะจิตยอมจิตยอมรับความจริงว่ามันไม่ใช่เราทำอะไรมันไม่ได้มันจะตายก็หนูเอาทุกอย่าง อต่หนูเอาทุกอย่างเลยหนูก็ภาวนาตายตายตายตายจนตายมันก็ไม่หยุดมันก็ไม่หยุดปวดคือจิตเราไปไปไปหยุดอยู่ตรงนั้นนะคะหนูก็พูดทางเสนาอำชามีก็ไม่หยุดหนูก็เลยปล่อยเลยเออเรื่องของเธอเธอเธอจะตายก็ให้มันตายไปมันก็เลยหายไปเลยเธอจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเออเจ้าค่ะคือการปล่อยวางที่แท้จริงแล้วค่ะปปลแล้วก็ส้องการเปลียดเขา พอเจ็บอยากแก้ก็าหายเจ็บนี่ไม่ใช่ปล่อยวางแสดงไปยุ่ะเขาแล้าค่ะ แ, แต่บางทีมันต้องเ่าไปมันต้องพยายามแก้เขาก่อนแก้จนแก้ไม่ไหวแล้วก็เลยต้องยอมเนาะมึงจะเป็นอะไรก็เป็นไปเจ้าค่ะก็สบายเลยใช่ไหมเจ้าค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยเจ้าค่ะมันมันเหมือนมันเฉืยชาไปเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเ<อ>แต่แต่ถามว่าถามว่ามีความรู้สึกว่ายังเจ็บอยู่ไหม มีความรู้สึกว่าเจ็บค่ะแต่จิตมันจิตมันไม่ไปไปไปยุ่งเือนกับว่จต่เดือดร้อนค่ะจิตไม่เดือดร้อนค่ะคือเหมือนกับว่ามันดูเฉยๆอ่ะดูว่าเออค่ะเหตุหลายเท่ะแร่างกายร่างกายเราไปสั่งมันไม่ได้มันจะหายเจ็บแล้วมันก็หายเองถ้ามันยัไม่หายก็ไมหายนะงั้นอย่าไปควบคุมบังคับร่างกายเพราะมันบางทีสั่งมันไม่ได้ แล้วค่ะคราวที่แล้วคราวที่แล้วหลวงพ่อพูดกับเรื่องถ้าเราถือศีลแปดเนี่ยเราจะปฏิบัติได้ไวหนูก็ลองถือศีลแปดดูตั้งแต่ที่ว่าหนูหนเข้าไปคราวที่แล้วตอนตอนนี้หนูก็ยังถือศีลแปดอยู่วันแรกวันที่สองทรมานมากๆหลวงพ่อตอนช่วงพอบ่ายขึ้นไปแล้วมันมันเริ่มหิวหิวมากอยากที่แบบ ความคิดเนี่ยมันเหมือนมันฟุ้งซ่านนะเจ้าค่ะเหมือนกับว่ามันไอหนุ่มก็อยากกินไอนี่ก็อยากกินเหมือนมันมันมาประดังกันแต่ว่าไม่เอาใจยึดมั่นไม่เอาห้ามกินในเมื่อตั้งสัจจะแล้วจะต้องถือสินแปดก็ต้องถือสินแปดหิวก็ดื่มน้ําเอาแตบเจ้าค่ะพอวันที่สามผ่านมาเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าเจ้าค่ะมันยอม มันยอมแล้วมันมันไม่สนใจแล้วก็จัดที่เป็นคนกินเยอะนะเจ้าค่ะไม่เหมือนกับว่าเดียอนี้เจ้าค่ะกินนิดเดียวก็อิ่มเหมือนกับว่ามันไม่สนใจอาหารไม่สนใจอาหารเลยใจมันอิ่มไงร่างกายไม่เจ้าค่ะที่กินมากไม่ใช่เพราะร่างกายหิวนะมันใจมันหิวต่างหากเจ้าค่ะพอเราฝืนมันฝืนความอยากได้แล้วต่อไปความอยากมันหายไปอยากกินมัน แล้วเรื่องเรื่องดูดูดูหนังดูหนังดูโทอทัศน์เนี่ยหนูเป็นคนชอบกดกดรีโมทดูโทอทัศน์มันจะสวนช่วงวันแรกวันที่สองเนี่ยพอต่อไปมันก็เฉยเฉยมันเหมือนไม่ไม่ใส่ใจน่นแหะสวยความอยากได้แล้วต่อไปความอยากมันก็จะหยุดไปแล้วค่ะแล้วหนูหนูปฏิบัติหนูปฏิบัติทำช่เช้ชากับเยน็นแล้วก็พอช่วงเยน็นหนูจะมีอาการที่ว่าเวลาหนูสวดมนต์นะเจ้าค่ะ หนูจะมีความรู้สึกว่าความเย็นน่ะมาประทักับร่างกายแต่ว่าหนูก็หาด้วยเหตุและผลว่าเราไม่ได้เปิดหน้าต่างแอร์ไม่ได้เปิดแล้วความเย็นมาจากไหนแต่หนูก็แค่รับรู้นะคะแล้วก็ปล่อยวางไปงใจแล้วเป็นความเย็นของใจแล้วใจเราเวลาถึงเวลาของมันมันก็จะเย็นสงบขึ้นมาแล้วเราไม่ต้องทําอะไรก็มีเจ้าคปฏิบัติบ่อยๆเพรถึงเวลาของมันมันจะสงบของมันเอง มันเหมือนกับเป็นมีเมฆหมอกมันค่อยๆลอยเข้ามาอย่างนี้เจ้าค่ะความเย็นมีเมฆหบอกค่อยๆลอยเข้ามาแล้วแล้วยิ่งอยู่คนเดียวมันจะสงบง่ายถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีใครมาข่มสงบมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม่ออกไปยุ่งวุ่นวายกับคนอื่นก็อยู่บ้านก็ปฏิบัติธรรมมีเวลาเรานั่งสมาธิได้เยอะเราโชคดีเนี่ยเหมือนกับไปไปไปอยู่วัดเลย ดีกว่าอยู่ที่ว่ดอยู่ที่ว่าต้องไปยุ่กับคนหนึ่งนี่เราคนเดียวเหมือนเป็นชุดงในป่าเลยรู้ไหมเนี่ยเป็นความสงบมากเจ้าค่ะหลวงพ่อมันมันเหมือนกับว่าเรามันมันเงียบมากแล้วก็ไม่ต้องวุ่นวายกับใครแล้วเราก็นั่งสมาธิได้ได้ปล่อยครั้งมากวันหนึ่งหนูนั่งประมาณช่วงช่วงกลางวันเนี่ยหนูจะนั่งครั้งสองครั้งสามครั้งต่อไปเรื่อยๆบางทีบันบางทีหนูนั่งสมาธิช่วงที่ว่า จิตหนูหนูมันดิ่งลงอะเหมือนคนตกจากที่สูงนะเจ้าค่ะพอมันมันมันมันมันมุกไปวัดแล้วมันก็เหมือนมันกลับขึ้นมากลับขึ้นมาแล้วคราวนี้ยมันมีเหมือนเราไม่ได้คิดนะเจ้าค่ะหนูสาบายได้ว่าหนูไม่คิดแต่ว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันประดังเข้ามาให้เรารับรู้คือว่ามันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะเจ้าค่ะเหมือนว่าอนนุนมาอันนี้มาบางทีบางเรื่องเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหมือนกับว่า มันส่งส่งมันสัญญาณมาให้เราเราเราได้เห็นเราได้ยินเราได้ฟังแต่เราก็ก็ไม่สนใจอะไรกับสิ่งพวกนั้นแต่เราแค่รู้เฉยๆทั้งที่ดีเราอย่าไปสนใจมันมากเดี๋ยวเราจะหลงเจะขาดให้มันว่างดีกว่าพยายามดูลงต่อไปพุทโธต่อไปดีกว่าเจ้าค่ะอย่าหยุดพุทโธอย่าหยุดนมจังกว่ามันจะว่างจงกว่าทุกสิ่งทุกอย่างหายไปเพราะเขางพวกนี้มันก็เป็นเหมือนยาเสพติดนะพี่ เห็นมันบ่อยๆเข้าเดี๋ยมันติดนั่งทีไรก็อยากเจ้าค่ะดีว่าหนูหนูก็คิดว่าโอ้มันสักมันสักแต่ว่ามันเป็นอย่างเนี้ยแหละมันไม่เที่ยงมันมันมาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วมันก็ไปเหมือนติดไม่รู้ว่าหนูหนูคิดถูกหรือเปล่านะเจ้าค่ะหนูคิดว่าจิตนี้ก็ไม่เที่ยงบางทีมันสงบได้แปบเดียวเจ้าค่ะมันมันก็แต่ว่าเดี๋ยวมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลา เดี๋วงนู้นมาเรื่องนี้ไปประมาณนี้เจ้าค่ะได้ทางที่ดีก็คืออย่าไปยุ่งกับมันเราจะได้เข้าสู่ความว่างได้ความว่างแล้วทีนี้มันเจอของเทียงไม่มีอะไรจะเทียงได้กับความว่างเจ้าค่ะเพราะความว่างมันเกิดดับไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เจ้าค่ะนั่นหละเราพยายามนั่งให้มันถึงจุดนั้นให้ได้แล้วเราจะได้อยู่กับความสง บ, บที่แท้จริง ถ้ายังมีอะไรเกิดขึ้นอยู่นี่ยังไม่เรียกว่าสงบยังไม่เต็มที่เจ้าค่ะแต่หนูไม่ไดเอาจิตไปไปไปไปไปส่องแสวงหานะเจ้าค่ะหนูหนูแค่แบบว่ารับรู้รับรู้หนูก็ปล่อยวางเจ้าค่ะพอพอเราแผลสติหยุดหยุดหยุดสติมันก็มาเข้ามาไปอ๋อเจ้าค่ะสติใหม่ต่อตั้งสติใหม่ต่อพุทโธหน่อยดูลมตใหม่ค่ะเดี๋ยวมันก็จะหายไปแล้วทีนี้มันก็จะว่าถ้ายังไม่ว่างดูลมต่อไปพุทโธต่อไป บางทีมันก็มีมีเป็นบางช่วงที่มันฟุ้งมากๆเลยนะเจ้าคะ่ะหนูก็ใช้วิธีที่ว่าหยุดลมหายใจหยุดไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็มันก็กลับมาคราวนี้มันก็เริ่มดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วมันก็มาอีกมันเป็นอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะก็ก็ควรที่จะมีสตินถ้าใช้ลมการไม่ได้ก็ลองหัดพุองพุโธไปดูเจ้าคะ่ะพุ่งพุ่งพุโ่โพุ่งพุ่งไป อย่าไปสนใจ <c oughs> ทำอะไรต่าๆ ง, งๆที่มันจะมามาก็อย่าไปอยากให้มันไม่มาปล่อยมันมาไปแต่เราอย่าไปสนใจอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอยากไม่มามันยิ่งมาใหญ่ยิ่งบ้ายิ่งห้ามยิ่งยุ่พวกนี้เข้าใจไหมเจ้าค่ะเจ้าค่ะอย่าไปสนใจมันเท่านั้นแหละเราก็คุยโทรคุยโธรเอาไปหรือดูลองเราเอาไปเจ้าค่ะโอเคมีอะไรยัาางถามอีกไหมไม่มีแล้วเจ้าค่ะขอบค <c oughs> ุณเจ้าค่ะเจ้าค่ะ รู้ได้ไงว่าวันนี้จะมีประชุมรู้ว่าเข้ามาอยู่ทุกวันหนูหนูไม่ได้เข้าดูทุกวันมันเป็นจังหวะเจ้าจค่ะพอพอดีครั้ที่แล้วหนูจะเข้าแต่หนูเข้าไม่ทันพอดีว่าหลวงพอ่อไล ฟ, ฟ์ไปก่อนก็เลยเข้าไม่ทันได้ก็ติดตามไวนะถ้าอยากจะเข้ามาก็ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงวันวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์วันที่ไม่ว่างเลยเจ้าค่ะ แต่ก็ติดตามหลวงพ่อบ่อยค่ะคือว่าฟังธรรมะน้ากุติด้วยนะเจ้าค่ะอ่าดีดเจ้าค่ะให้คนเหนพูดต่อนนะเจ้าค่ะขอบคุณค่ะอ่าเชิญท่านต่อไปแอดมินครับยังยังไม่มีใครเปิดไมค์ครับยังไม่มีรยกมือครับนี่นะฮะอันนี้มีมีคนเท่าไหร่ในห้องตอน น, อ น, นี้ตอนนี้ตอนนี้แอคทีฟอยู่ที่ยี่สิบห้าคนครับคุณวิชาญจากนครปฐมครับพูดได้เลยครับ พระอาจารย์ครับคือเขาที่แล้วเนี่ยที่ได้คุยกับพรอาจารย์แล้วผมก็นั่งนั่งก่อนนอนครับนั่งได้ประมาณไม่กีชั่วโมงครึ่งแล้วทีนี้มันมีช่วงหนึ่งที่มันเหมือนมันจะปุ๊บลงไปแล้วทีนี้มันมีเหมือนอาการเหมือนจะกลืนน้ำลายครับผมก็ผมก็ดูมันตอนแรกแล้วก็คือเออเขาลองลองฝืนลองฝืนแล้วก็เออ มันมันมันเหมือนมันมันอันขึ้นมาจนถึงข้างบนนี้เลยครับเรารู้สึกว่าอย่าไปติดอย่าไปสนใจยิ่งยิ่งไปมองมันมันยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ต้องกลับมาที่พุทโธพุทโธแล้วที่ลมอย่างเดียวครับก็คือปล่อยมันเลยก็คือปล่อยน้ำลายมันน้ําลายจะไหลก็ปล่อยมันไหลไปมันมันน้ําลายมันมันไม่ลงครับแต่คเนี้มันเป็นเหมือนลมมันก็เลยแบบแทนที่จะลงดิ่งลงไปมันก็เลยอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจ มันก็เลยพูดโทต่อมันก็พูดโทรพูดโธไปถ้าใช้พูดโธก็พูดโธไปดูลมก็ดูลมไปเดี๋ยวมันหายไปเองอ่ะมันเหมือนมันเราอึดัดมากตอนันหมือสู้กับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายยิ่งไปอย้าให้มันหายอึดัดมันยิ่งอึดัดใหญ่ครับครับนะอย่าไปสนใจมันกำลังมาหลอกเราหลอกให้เราเสียสมาธิเสียสติเนี่ยแล้วก็มีพวกมดอะไรพวกนี้มันชอบมันมันมาของมันเองครับ แล้วมันมดหลอกก็มดมดมดเก่งอ่ะบางทีมันม head. so so ีความมดผมไปแพ้ไปผมไปน่ามันเป็นที่ที่เราันที่นั้นเป็นหมดจริงแบบตอนแ้กผมก็ปล่อยปล่อยให้คือยังยุงกัดเนี่ยผมปล่อยที่ยุงกัดเพราะผมรู้สึกว่าเออมันมันกัดก็ลองปล่อยมันเลปล่อยปล่อยมดไปให้มันคานไปให้มันไลไปถ้าเราอยู่ที่เฉ๋มันไม่มันไม่มากระดมันกัดมันยาวมันก็เข้าหูอีกผมก็เลยแบบออกเลคราวนี้ผมก็เลยผมก็เลย ไอ้ออกมาแล้วก็ปัดดุมก็ไม่มีตัวมันมีหาไม่เจอครับแต่มันเหมือนมันจะกินแล้วปูแต่งหลอกเราก็ได้ไม่ผมไม่รู้เลยแต่ว่ามันมันตอนแรกมันกัดก่อนมันกัดที่ไม่หูแล้วก็มันฆ่าก่อนจะนั่งก็ต้องตรวจสภาพที่นั่งรอให้ว่ามันไม่มีอะไรก่อนแล้วเราจะได้นั่งไห่ปล่อยมันกัดจนมันอิ่มจนมันไปก็คือปล่อยมันเลยเอถ้าเราไปยุ่งกับมันแล้วก็เสียสติเสียสมาธิ แถ้าเราอะตรงมันอยากจะกัดมันอยากจะเข้าไปนรูจมูกก็ปล่อยมันเข้าลองดูด้มันจะเป็นยังไงบ้างนะแล้วจิตมันจะได้ผ่านได้เนี่ยมันก็จะมาติดตรงเนี้ยติดอะไรบ้างคันบ้างเจ็บบ้างปวดบ้างอะไรผมก็เลยแบบเฮ้ยไหนไหนก็ไหนไหนก็มันก็มันก็ไม่สงบแล้วก็เลยเกามันให้มันแบบให้มันเต็มที่เลยแล้วก็ มันเริู่โทต่อเออมันก็เริ่มต้นใหม่แต่ว่าเริ่มต้นใหม่ก็ไปตั้งเนียนับหนึ่งใหม่ถ้าจะไม่นับหนึ่งใหม่ก็บอกคิดว่าร่างกายเป็นเหมือนศพว่าตอนนี้มดมันจะมากัดก็ปล่อยมันกัดไปแมลงมันจะมากัดก็ปล่อยมันกัดไปอยู่บนตัวเรียมผมกลางมุมเนี่ยมันก็จะแบบเข้ามาเนี่ยคือมันกัดแบบไม่เปาะมันมันไม่กัดทีเดียวแล้วมันเหมือนแบบตายตายตายแล้วคือ ไปเรื่อยๆเลยจนเรารู้สึกปล่อยอ<ต>มันไปก็ปล่อยมันไปอย่าไปยุป่งกับมันทําไปไม่รู้ไม่ชี้ดูลงไปพูดโทรไปรท่านต่อไปเชิญตอนนี้ก็หนึ่งชั่วโมงกับสิบสี่นาทีเช่ไหมประมาณครับครับคุณคุณน้ำพลครับเห็นยกมือแล้วครับคุณน้ำพลครับคุณน้ำพลคุณน้ำพลยังไม่ อ่านั้นคุณสุพัฒนาครับพูดได้เลยครับเปิดเปิดใหมน่นวัตการครับพระอาจารย์ขออนุเครนอนอยู่ที่ไหนจากบอ่อวินที่อ่ขาขวที่นั่งเข้ามาแล้วอก็คือวา่าฟังพอดีจะถามเรื่องเรื่องสมาธิการการนั่งเรื่องความสงบก็ฟังเพื่อนเพื่อนมาพระอาจารย์ก็ตอบมาหลายหลายหลายอันที่สงสัยแล้วค่ะ แต่มีนิดนึงที่ที่ยังสงสัยอยู่ก็คือว่าที่พระอาจารย์บอกว่าสติกับกับความรู้รู้สึกตัวเนี่ยอันเดียวกันไหมคะอันเดียวกันอันเดียวกันแล้วก็ในในระหว่างการนั่งสมาธิเนี่ยก็คือจะต้องต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาที่ทีบอกว่าก็ได้รู้สึกกับพุทโธก็ได้รู้สึกกับลมก็ได้ต้องรู้สึกตัวตลอดก็คือที่ถ้านะสมมุติว่า ไปหรือว่าเงียบไปก็ต้องรู้สึกตั ว, วใหม่ถ้ามันเงียบไปหายไปหมดไม่รู้อะไรนจ่ก็แสดงว่าหลับหลับใช่ไหมคะค่ะก็<ม>ะคือเป็นเป็นอย่างนั้นบ่อยก็คิดว่าตัวเองสงบแต่อันนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะมันหลับก็เพราวางหลับไม่ได้พราวางสมาธิมันสงบเหมือนกันแต่มันสงบแบบไม่มีสติสงบแบบ<อ>สลบสลาย งสงบ ด, ด้วยมีสติด้วยนะคะใช่เน้นเวลานั่งต้องไม่เผลอสติต้องมีลมต้องดูลมไปไม่ต้องพุโทโธไปอย่างหยุดถ้ามันก็จะมีสติจะรู้สึกตัวตลอดเวลาพอเราเผลอหยุดไปสักพักหนึงหลับไปแล้วหายไปแล้วนะพ<ะ>อสังเกตดูว่าเรายังยังดูลมอยู่หรือเปล่าเรายังพูดโธอยู่หรือเปล่าทําไมก็ต้องรีบทํำนะงั้นเดี๋ยวมันจะหายไปและ เดี๋ยวมันจะหลับอขอบพระคุณค่ะอเชิญท่นานต่อไปเราจะเอาสักอีกสิบสิบห้านาทีนะเราจะได้ประมาณชั่วโมงครึ่งครับคุณคุณนำพลครับเห็นยกมือครับคุณนำพลคุณนำพลเปิดเสียงได้เลยครับเปิดเสียงครับเปิดเสียงพูดได้เลยครับนำพลเจิด ช่วย่วยใชย้เอาไม้ให้เข้าใกล้ปากหน่อยครับใกล้ปากเลยครั บ, รบพูดเสีย ง, งดังๆครับครับผม อ, อยู่ที่ไห น, ไนคเครื่องของคุณไม่ค่อยดีะเสียงดังแขกแขกแครับไ ด, ได้ยินได้ยินไหมครับผมได้ยินนะครับพอดีผมอยากจะถามว่าเวลานั่งสมาธิได้ประมาณสักสามสิบนาทีนี่แหละครับทุกครั้งเลยจะรู้สึก ปวดไปตามตัวรู้สึกเสียวๆในร่างกายทำให้ต้องออกจากสมาธิทุกครั้งผมอยากผ่านตรงนี้ครับอาจารย์ต้องทำยังไรต้องพุโทโธต่อไปอย่าไปสนใจกับว่าการเจ็บปวดอ้องพุโทโธพุโทโธ <c oughs> พุโทโธไปทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปเดี๋ยวถ้าสักห้านาทีได้มันก็จะผ่านไปแนละ้วครับผมอย่านั่งเฉยๆนีถ้านั่งเฉยแล้วยิ่งปวดใหญ่ยิ่งอยากจะออกใหญ่ อย่าปล่อยให้มันอยากต้องพุทธพุทธพุทธัยุดความอยากที่จะออกแล้วพอมันเลิกปับ๊บมันก็จะอยู่กับความเจ็บความปวดของร่างกายได้แล้วมันก็จะผ่านไปได้ครับแล้วก็ <c oughs> ข, ขามอีกอ่าเรื่องหนึ่งครับอาจารย์ครับผมกับแฟนทําอาชีพค้าขายแล้วทุกวันพาร์ทจะถือสินแปดกันแล้วมันต้องมีเหตุจำเป็นที่ต้องสัมผัสกับลูกค้าที่เป็น ที่ตรงข้ามนี่จะเป็นอะไรครับอาารก็มีสติแล้วการให้มีสติอย่าปล่อยให้มันคิดไปในทางการอารมณ์ถ้าจะคิดไปทางการอารมณ์ก็ให้พิจารณาสุภาพของเขาก็ะดาคิดถึงตับไตไส้โครงคิดถึงโครงกระดูกของเราคิดถึงอุจจาระปัสสาวะของเขาก็ได้ก็จะมีการัดการเวลาตอนหนึ่งตอนต่างอะไรครับแต่เราไม่ได้คิดอะไรไม่ไม่เป็นอะไรเนาะถ้าไม่คิดอะไรก็ไม่เป็นอะไร ถ้าเามีการมาลงขึ้นมาก็ต้องหยุไไดมันไม่ไดค้ครับอนี่นนเสียงงคนรู้สึกมีปัญหาอ๋อครับผมครับครบครับท่านต่อไปไหมพระอาจารย์ครับมีมีคถามจากอินบ็อกซ์นะครับรับไหมฮ ะ, ดม ะ, ะ, ด ะ, ะเดี๋ยวนะฮะอินบ็อกซ์ครับพอาจารย์ครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเสียงระอาจารย์หาย <Okay. S 1> อาจารย์เปิดเสียงแล้วครับโอ okay. เค ม, มีคำถามจาก INBOX นะครับ อ, อยากสอบถามหลวงพ่อค่ะหนูนั่งสมาธิดูลมหายใจดูร่างกายที่หายใจบางทีก็ดูจิตที่ฟุ้งค่ะแล้วแต่จะเห็นอะไรค่ะนั่งแล้วสักครู่อาการจะมีเหมือนวีธแล้วเบาค่ะลมหายใจจะเบาลงค่ะจะนั่งยี่สิบถึงสามสิบนาทีค่ะ พอนาฬิกาดังก็ออกค่ะโดยหายใจเข้าออกลึกๆค่ะวิธีการถูกไหมคะปฏิบัติมาปีครึ่งแล้วค่ะอะควรจะดูอย่างเดียวดูลมก็ดูลมอย่างเดียวอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูลมไปเรื่อยๆแล้วจิตมันสงบก็รู้ว่ามันสงบก็มาถูกทางแล้วแหละเพียงแต่ว่าเท่าที่ฟังคําถามดูรู้สึกว่ายังเปลี่ยนไปยังดูหลายอย่างอยู่ ควรพยายามดูอย่างเดียวอย่าไปเปลี่ยนดูลมก็ดูลมอย่างเดียวแล้วจิตมันจะได้สงบนิ่งมากกว่านี้ครับต่อไปคุณคุณก๊อกครับนกรรักประดิษฐคัดพระดานจากสุราชครับเก่าครับผม ค, บคือทํางานอยู่ทุกวันเนี้ยครับมันมันมันเห็นความทุกข์ที่เราต้องทํามาหาร ก, กินนะครับ เห็นว่าทํามาแล้วเราก็ต้องใช้ไปเรื่อยๆไงครับงานก็มันก็มีปัญหาขึ้นเรื่อยๆ่างเงี้ยครับแล้วก็ทําไปไม่รู้จะแบบเราจะเดินไปทางไหนอะครับก็ไปบวชซิทางไหนเนอะเราเห็นทางนี้มันทุกข์ก็ไปบวชสิบวชสิละเป็นทางดับทุกข์ถ้าอยากไปก็ก็ยังไปไม่ได้มันก็เลยทุกข์ครับผมก็ต้องทนไปก่อนหมอตอนนี้มันติดไฟแดงอยู่ ติดพ่อแม่ติใครอยู่ก็ต้องรับใช้หนี้ไปก่อนเราเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่ก็ต้องลดใช้หนี้ไปก่อนแต่เตรียมตัวไว้ศึกษาธรรมะอยู่เนื่อยฝึกสมาธิไปเรื่อยเวลามีความคิดไม่ดีก็หยุดมันด้วยพุโทโธพุทโธอย่าปนะคิดเราลืมนะ เ, เพระเอร์ยิ่งคิดยิ่งยิ่งทุกขยิ่งเศร้าใหญ่ต้องกลับมาหาพุโทโธพุทโธทันทีนะเราลืมลืมสติลืมพุโทโธกัน ถ้ามีพูดโทรอยู่เรื่อๆแล้วความคิดเศร้าหมองหน้าตาันจะไม่เข้ามานะพอใจมั้ยขอบคุณครับท่านต่อไปอีก8นาทีจะให้ถึง3ามทุ่มครึ่ง น, นี้ได้เปิดไม้ได้เลยนะครับใครจะถามนามาสกาลค่พระอาจารย์ มาจากที่ไหนจ๊ะชื่ออะไระเข้ามาแล้วค่ะรอบที่แล้วที่มาครั้งแรกที่อาจาราย์ไลฟ์เฟสอยู่ก่อนค่ะไอไลฟ์ทางซูมจากสโลวีนค่ะอาจารย์หนูชื่ออะไรหนูชื่ออะไรพี่สายค่ะชื่อต า, อตาแต่ว่าเข้าสายค่ะพอรออยอสายค่ะพี่ว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เยือนนะคะรอบที่แล้วค่ะแล้วอยู่ที่ไหนอยู่สโลวีนนะใช่ค่ะอยู่สโลวีนค่ะ อ่มีอะไรจะถามหนูปฏิบัติทมได้อยู่ที่บ้านตั้งแต่วันที่สิบถึงสิบแปดจนถึงวันนี้น่าจะเป็นวันที่ห้าแล้วค่ะแล้วทีนี้หนูก็นั่งสมาธิทำวัดเช้าวัดเย็นแต่ว่ามีข้อสงสัยตอนนั่งสมาธิก็คือว่าหนูเหมือนจะหลิดตรงกับเวลาที่ฟังพระอาจารย์พูดหรือว่าฟังเทปของหลวงปู่ปุเยเอนนะคะบรรยายธรรม แล้วเหมือนสมาธิจะเข้ามากกว่าถ้าเรานั่งเฉยๆอะค่ะบาอาจารย์แบบนี้แล้วมันจะได้ใช่ไหมคะบะอาจารย์ได้ไฟังธรรมไปเวลาฟังธรรมก็ไม่ต้องพูดโทไม่ตมอ้ตองดูลมก็คือสับที่เสียงพระอาจารย์พระอาจารย์ค่ะแล้วทีนี้หนูฟังหลวงปู่พูดว่าการนั่งสมาธิคือความว่างคือจะไม่เกิดนิมิตอะไรเลยนั่นคือถูกต้องก็คือเหมือนกับว่าเราตามลมเข้าไปตอนที่พระอาจารย์พูดหรือว่า ลองผูกพวดค่ะก็เหมือนจะเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนลมอยู่ตรงกลางตรงตรงลิ้นปี่ค่ะพระอาจารย์ตรงลิ้นปี่แล้วทีนี้ <c oughs> หนูก็เลยคิดอ่าพอออกจากสมาธิแล้วก็เลยมีคําถามว่าพระอาจารย์บอกว่าตอนที่นั่งเนี่ยให้ไม่เกิดอะไรเลยอันนี้คืนมูเริ่มซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ไม่ค่อยเกิดนิมิตที่ไม่ไม่ค่อยเกิดแบบติดไปนูน่นไปนี่เหมือนติดอยู่กับตัวเองแล้วทีนี้บอกว่าพอมีสมาธิแล้วจะมีปัญญา การที่ว่ามีปัญญาคือหมายถึงว่าเวลาที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นเราสามารถเอาสติไปจับได้แล้วก็สามารถรู้ว่าทางออกที่ถูกต้องเป็นยังไงอันนี้ถูกต้องไหยคะพรอาจารย์ไม่ถูกครับสมาธิไม่สามารถกฤตปัญญาได้สมาธิเป็นเพียงเป็นเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญาคือให้เรามีกําลังคิดไปในทางปัญญาเราต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายรักก่อนถ้าเราเห็นสิ่งที่เป็นตายรักแล้วเราก็จะแก้ปัญหา ปัญหาของพวกเราเราไม่เห็นตายรักเราก็เลยพยายามไปแ ก, ก้ยิ่งแก้ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่พอแม้เป็นตายรักก็ไม่แก้มันดีกยไปปล่อยมันเป็นตายรักไปปล่อยมันไม่เที่ยงไปปล่อยมันเป็นอนัตตาไปไม่ใช่ของเราไปปัญหามันก็ปัญหาคือความทุกข์ใจมันก็จะดับไปปัญญานี้แก้ปัญหาข้างในไม่ได้ไปแก้ปัญหาข้างนอกเข้าใจไหม มันจะไปแก้ปัญหาเงินไม่มีแล้วพอมีปัญญาแล้วจะได้เงินมาไม่ใช่ปัญญามีสอนใจว่าไม่มีเงินก็ไม่ก็ไม่ทุกได้อยู่ก็อยู่ได้มีความสุขได้ยังไม่ต้องมีเงินเข้าใจไหมแต่หมายถึงว่าเวลาเรานั่งสมาธิก็คือเราจะต้องว่างปล่อยจิตให้ว่างแล้วก็ตามลมหายใจเย็นแล้วต้ก็ทำให้ใจว่างแล้ก็เย็นแล้วคิดไปทางปัญญามันจะได้เห็นตายรักถ้ามันว่ายไม่ว่างไม่เย็นมันจะไม่เห็นตายัก แสดงว่าโยมาเพราะว่าหนูปฏิบัติแบบจริงต่งางเนี่ยเพิ่งจะคือเป็นครั้งแรกที่ปฏิบัติสิ่งแปดที่บ้านปกติจะไปปฏิบัติที่วัดแล้วคะแต่ว่าเป็นรู้สึกว่าลูกยังเล็กซึ่งขวบนึงก็เลยแบบว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็แยกห้องนอนมานอนที่ห้องพระแล้วก็ปฏิบัติทวัตชาวัดเจ็นก็กินข้าวหลังจากก็ตามสิ่งแปดนะคะพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าการนั่งสมาธิเหมือน เข้าถึงลึกกว่าเดิมแล้วหนึ่งชั่วโมงเดียหนูรู้สึกแบบไม่นานก็เลยรู้สึกมาถามว่าถูกต้องแล้วใช่ไหมแล้วก็ว่างเหมือนที่อาจารย์เคยบอ ก, กค่ะว่าว่า ง, า ง, างแลต้องมีความสุขด้วยถึงจะถูกค่ะพอจุดค<ข>อ<ข> อ, ออกจากสมาธิก็แบบก็รู้สึกแบบไม่กังวลไม่ไ ม, ไ, มไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เหมือนตอนอตอนแอรากอาจจะมีอาจารปวดปลาปวดขาอะไรพอใกล้ๆเหมือนเราฟังเราหนูหนูก็เลยรู้สึกว่า เราเอาติดไปจับกับคําแบบเหมือนเปิดยูทูบไปด้วยฟังพระอาจารย์ไปด้วยอย่างเงี้ยมันจะเป็นการติดหรือเปล่าติดเหมือนติดฟังพระอาจารย์เกินไปหรือเปล่าเพราะว่าหนูมันไม่สามารถฟังได้ตลอดะคะ่ะพระอาจารย์หนูก็เลยอยากถามว่าเราควรจะปรับวิธีมานั่งเองมานั่งดูลมเองบ้างอย่างเงี้ยไหมคะหรือว่าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ่อนก็ได้ควรถ้าเราดูลมไม่ได้กรารสาฟังไปก่อนได้แต่ถ้าดูลมได้ก็ไม่ต้องฟัง จะดีกว่าแต่ก็ต้องฟังด้วยปัญญาก็ต้องฟังด้วยบางบางเวลาก็ฟังได้แต่แต่อย่าไปอาศัยการฟังเพื่อทําสมาธิเราต้องหัดดูลมหรือขัดพุทโธจะดีกว่าอาจารย์เบื้อมต้นถ้ายังดูลมไม่ได้ยังพุทโธไม่ได้ก็อาศัยการฟังไปก่อนได้ก็เลยก็เลยรู้สึกรู้สึกสิทธิว่า ว่าเพิ่งจะนั่งเรารู้สึกไม่สู้ซ่านก็ตอนที่ตอนไปปฏิบัติที่วัดอย่างเงี้ยเหมือนก็มีเจอบางทีก็จะมีคนนั้นคนนี้พูดหรือบางทีก็จะมีแม่ชีอะไรเงี้ยมามามาทำให้เรารู้สึกอารมณ์แบบเราไม่นิ่งแต่พออยู่<ไ>บ้านเงี้ยเราปฏิบัติคนเดียวเหมือนที่พระอาจารย<ไ>์บอกพี่คนเนอะคะ่ะเหมือนแบบ<ไ>อยู่ในป่าหนูก็รู้สึกแบบนั้นว่าพอเราเย็นยที่บ้านได้แล้วก็คือปฏิบัติที่บ้านก็ได้ ก็เลยรู้สึกว่าเอสงสัยจะมาถูกทางแล้วอะไรเงี้ยก็เลยว่าสอบถามพระอาจารย์ก่อนว่าถูกไหมอะไรเงี้ยค่ะต้องวิเวกต้องอยู่คนเดียวไม่คุกคีกันเพราะคุกคีกันแล้วเดี๋ยวมันเดี๋ยวว่ากระทล้อกันมีเรื่องมีราวกันพยายาก็ใจไม่คุกคกับใครค่ะก็เลยกลายเป็นว่าใจสงบกว่าตอนที่ไปวัดที่มีคนเยอะๆดูก็เลยงง <อ>ว่าต่อไปก็โหไม่ต้องไปปฏิบัติที่วัดแล้วหรือเปล่าแต่ว่าก็ควรจะไปบ้างนะก็ถ้าไปแล้วดีกว่าอยู่บ้านก็ไปถ้าอยู่บ้านดีกว่าไปวัดก็อยู่บ้านดีกว่าดูคนดูคนปฏิบัติคราะวัดนี่มันไม่ใช่หมายความจะต้องมีโบสถ์มีเจดีย์มีพระมีเนนมีชีไม่ใช่วัดจริงๆของพระเจ้าคือใต้โคนต้นไม้เพระพุทธเจ้าตัดสรู้ที่ไหนโคนต้นโพใช่ไหม นั่นแหละวัดขององพระเจ้าเป็นอย่างนั้นคือที่สงบสงัดวิเวกไม่มีใครมารบกวนใจค่ะเห็นตอนนี้หนูมีอยู่คนเดียวได้เนี่ยหนูโชคดีแล้วละ่ะยามอยู่ไปอย่างนี้นอกจากว่าถ้าหนู<ฆ>อยากสงสัยต้องไปหาครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็ครูบาอาจารย<ฆ>์ก็มามาหาเราถึงบ้านแนละ้วไม่ต้องไปหาครู<ฆ>บาอาจารย์ก็ได้<ฆ>รู้สึกโชคดีอยู่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่า ก่อนที่จะมาถือสิบแปดที่บ้านก็ไปทําบุญกับหลวงปู่เยือนแล้วหนูเพิ่งเข้าใจคขาว่าพอพบครูบาอาจารย์แล้วเราจะมีกําลังใจในการปฏิบัติเหมือนเห็นเหมือนเห็นพระอาจารย์อย่างเงี้ยเหมือนเห็นหลวงปู่เยือนอย่างเงี้หนูรู้สึกแบบเหมือนมีกำลังใจหนูก็บอกหลวงปู่เยือนว่าหลวงปู่นะคะเดวนัวจะปฏิบัติที่บ้านเจ็ดวันถือสิบแปดหลวงปูก่ก็ว่าเอาเลยอะไรเงี้ยแล้วท่านก็พูดแล้วเหมือนแววตาท่านก็แบบสืบมาที่เรามนเรารู้สึกเองหรือเปล่าไม่รู้ว่าแบบให้แบบเหมือนให้มั่นใจให้ใช่ค่ะพระอาจารย์ เหมือนให้กำลังใจเร า, เราพวกเดียวกันไงพวกเราพวกเดียวกันไปทางเดียวกันค่ะต่อไปทางพอไปทางนี้เขาก็จะสนับสนุนกดีเลยค่ ะ, คะหนูก็รู้สึกว่านรู้สึกมีกำลังใจแล้วคือเห็นแบบว่ากิจกิจวัตรของหลวงปู่คือหลวงปู่ก็แบบเหมือนพระอาจารย์อย่างเงี้ยก็พูดวันหนึ่งหลายชั่วโมงมากหลวงปู่เยือนอย่างเงี้ยก็แบบสร้างวัดทำลงมือเองทำปูนเองขนทรายเองอะไรทำตลอดค่ะแต่ว่ากิจ<ม>วัตร จิตของสงค์ท่านก็แบบงดงามอะค่ะแล้วหนูก็เลยแบบรู้สึกว่าเออโชคดีฟังพระอาจารย์ตลอดแล้วก็หลวงปู่เยืนก็อยู่ไม่ไกลก็คือขับไปประมาณสี่สิบห้าสิบโลก็กเจอพระอาจารย์แล้วค่ะแล้วก็โชคดีทุกครั้งที่ตั้งใจไปทําบุญก็เจอลูกพังเลยเลอรู้สึกว่าโชคดีถ้าอยากจะพบพระบ้างก็ไปหาท่านได้แตถ้าต้องการปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติได้นะค่ะ คนก็เลยที่มีรลูกสาวที่ลูกสาวที่ไหว้ภาพเป็นเนี่ยท่านอาจารยใช่ค่ะใช่ค่ะเพาะว่าวันนั้นหนูวันนั้นหนูพัดมัดผมวันนี้หนูปล่อยผมเลยต่างเลยดูแปลกไปหน่อยค่ะตอนนี้ลูกสาวนอนหลับเนี่ยใช่ค่ะว่าอาจารย์เมื่อกี้อยู่ข้างๆน่ารักเนะน่ารักค่ะคือเขาเขาเหมือนกับว่าเขาจะรับรู้ได้ว่าเวลาที่หนูคุยกับพลายเงี่ยเขาก็จะพนมมือขึ้นนันนีหนูก็งงไปไงว่าเด็กหนึ่งขวบ กับเนี่ยตอนนี้หนึ่งขวบกับอีกห้าวันหนึ่งครับอาจารย์เขาก็จะเป็นอย่างนี้เองเลยโดยทีเราไม่ต้องบอกมได้อดีตเคยเป็นท่าเป็นเป็นชีมาก็ได้เคยอยู่ใกล้วัดมาก่อนเขาจะรู้ทำไมครัอาจารย์ค่ะโอเคไม่เป็นอะไรแล้วครับอาจารย์บวชแล้วนะไม่มีค่ะข้ามบนแล้วครับอาจารย์รู้สึกโชคดีแล้วค่ะครับหรือปฏิบัติถูกทางนะพยายามรักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่ที่อยู่ที่ไหนก็ได้ที่อยู่คนเดียวได้ดีที่สุด นค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวมีโอกาสจะไปกราบพระอาจารย์ค่ะขอบกราบน้ำมัสการค่ะอธิบดีสามทุ่มครึ่งแล้วมีใครอยากจะบอกไหมถ้าไม่มีเราจะได้ปิดฉากตอนนี้ไม่ได้มีไหมครับมีไหมครับมีค่ะอ่าคุณคุณยุนชื่ออะไรยุ่นค่ะพระอาจารย์ วันนี้อยู่เนาะอยู่นนท์ค่ะเมื่อวันก่อนอยู่กรุงเทพอ่าใช่มีไรถามได้เลยเออหนูจะพู ด, ดเอ่อการที่ได้ได้ยินแล้วก็ได้ฟังบังคับเออมันกค่เรี่กงอะไรมันเป็นสัญญาค่ะพระอาจารย์แต่มีอยู่วันหนึ่งหนูพิจารณาแล้วเอ่อเพราะในโลกเนี้ย ทุกอย่างมันสมมุติหมดแล้วก็มออีมีมืมดกับแจ้งมีเวลานี้ไม่มีอดีตอนาคตคือวันนั้นอ น, น, นุมันเหรอมันรู้อยู่ที่ใจรู้แล้วต้องปล่อยวางได้รู้แล้วต้องมีความสุขอาจารย์นรู้แล้วว่าอ๋อ คามค oh, ิเราไม่มีอะไรแหละมันว่างเราไปปูแสงไปคิดไปอะไรแล้วหลงไปกับมันเท่านั้นเ oh. องงั้นเราต้องตอบไปนี่ต้องไม่หลงกับอะไรนะเข้าใจไหมปล่อยให้มันมาให้มันไปให้มันเกิดมันดับเหมือนมือกับแจ้งเดี oh. ย๋ยวเราก็ไปละของทั้งหมดที่เรามีอยู่นี่เราก็ต้องทิ้งมันไปหมดแล้ว oh. ใช่นะเข้าใจไ ห, หวปล่อยวาง พอใจอ่ะอยาเมื่อเมื่อมันไม่เป็นของจริงเราจะไปหลงกับมันทําไมอยากพูดแล้วยาจะพูดไม่ออกอ่าไม่ต้องพูดละออะไรจะมาก็ให้มันมาอะไรจะไปก็ให้มันไปอย่าไปยึดไปติดกับมันแต่แต่มันนั้นยิโรเนี่ยมันมีปังสูงเลยเหมือนกับว่าหนูเข้าใจจริงๆเลยอ่าเข้าใจต้องรักษาความรู้นั้นให้อยู่กับเราไปตลอดเวลาถ้าไม่อยู่ปั๊บเดี๋ยวก็หลงได้ แต่ก็หลงไปคิดว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเองนะแสะดงว่าหลงนะต้องระลึกเสมอเหมือนกับกายกับใจเราใช่ไหมคะอ่าทั้งกายทั้งใจทั้งครับสมบัติเข้าของเงินทองทั้งสามีภรรยาบุตรธิดาบ้านเบื่ออะไร้นมันไม่ได้วันนั้คิดเราแบบรู้อ๋อมันเป็นสมมติจริงๆมันไม่ใช่แบบออทองแดงยั่งยืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เอออย่าไปยึดจับคือหนูเข้าใจแต่หนูออกมาเป็นคำพูดไม่ได้แต่วันนั้นแบบ มันมันมันเข้าใจจริงๆนะมันเข้าก็ใจลงไปที่ใจเลยเนี่ยค่ะเอ่าได้ดีถ้าเข้าใจจริงๆมันจะต้องสดชื่นเบิกบานเข้าใจไหมคะโอแต่วันนั้นสดชื่นแต่วันนี้ไม่มีบางทีสุดมันพุ่มไม่ออกด้วยแต่วันนั้นอ่ะวันนั้นหนูแบบเข้าใจแจ่มแจ้งเลยเหมือนกับมันเป็นอดีตไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วอย่าไปมองวันนั้นมองวันนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องทําวันนี้ยเป็นเหมือนวันนั้นเข้าใจไหมค่ะหนูก็จะพยายามจะมองวันนั้นก็คิดว่าเออ ปัจจุบันหนูต้องมองไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแค่เวลาเนี้ยนาทีเนี้ยวินเนี้ยเราทําให้มันเหมือนวันนั้นเนี่ยใช่ค่ะหนูก็พยายามทงนี้ตลอดแต่อย่าคิดถึงวันนั้นคิดถึงวันนั้นมันเป็นสัญญามันไม่ได้เป็นปัญญามัองมันต้องคิดถึงวันนี้แล้วทําให้มันเป็นเหมือนวันนั้นนี่เรียกว่าเป็นถ้าคือวันนั้นคือหนูวิปัสนาหรือเปล่าคะใช่วิปัสนาหรือเปล่าคะอย่าไปสนใจชื่อวัเลยคก็ เรียกว่าปัญญาถ้ารู้ความจริงว่ามันเป็นของสมมุติก็เรียกว่าเป็นปัญญา oh. Oh. อ๋อจะเรียกว่า <Okay. S 2> ิปัสสนาก็ได้แต่อย่าไปสนใจสนใจ<ต>อยู่ที่ว่าใจเราว่างใจเราเย็นใจเราสงบหรือเปล่าใช่ใช่วันนั้นมันนั้นมันรู้สึกว่ามันมันว่างแล้วมันคิดได้แต่สาเหตุที่คิดได้เนี่ยก็คืออืหนูไปกรา บ, บกับป่าพระหลวงปู่หลวงปู่จันเรียนนะคะ แล้วแล้วหนูไปกับพี่สาวพี่สาวก็แนะนําหลวงปู่ว่าเนี่ยน้องสาวคือหลวงคือพี่สาวหนูไปค่อนข้างจะไปประกาศเป็นประจํานะคะแล้วแล้วแต่หนูไม่ค่อยได้ไปอันนี้ท่านเออพี่สาวหนูบอกว่าเนี่ยเออคนนี้น้องสาวค่ะวันนี้มากราบด้วยหลวงปู่มองหน้าหนูแล้วหลวงปู่บอกว่าแล้วเราล่ะมีพี่สาวไหมหนูก็งงว่าเออท่านทําไมหลวงปู่ถามแบบนี้ทั้งที่ที่ ที่พี่สาวเพิ่งจะบอกหลวงปู่ว่าเนี่น้องสาวหนูก็เลยงงมากเลยหลวงปู่ก็ถามย้ําอ่ะตกลงเรามีพี่สาวไหมหนูก็ตอนนั้นหนูยังไม่ค่อยเข้าใจหนูก็แต่แต่เพียงแต่ว่าสงสัยทําไมหลวงปู่ถามแบบนี้ก็เลยเอาแต่คไงให้เกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยค่ะนั่นแหละนั่นแหละและ้วเออเหตุที่ที่หนูคิดได้ก็คือคําถามของหลวงปู่ อวามจริงไม่มีอะไรใช่ไหมพี่สาวก็ไมีมีน้าสาวก็ไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละใช่ใช่ค่ะมันเป็นสมมุติทั้งหมดข้จาจให้แบบค่ะก็ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะอ่าเนา ะ, นะะโอเคแล้วอย่างนี้หนูถ้าหนูมีโอกาสไปกราบหลวงปู่อีกหนูบอกหลวงปู่ได้ไหมคะเนี่ยก็อลองบอก <c oughs> ดูหน่อยดูหลวงปู่จะว่า ย, ยัางไงค่ะนะขอบคุณมนะากอาจารย์โอเคสาธุ ตอนนี้ไม่ใครบ้างตอนนี้ไม่มีแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เงียบแล้วครับีครับจะได้ขอหยุดแล้วก็เกือบครับนี้ก็ชั่วโมงกว่ากเกือบสี่สิบนาทีคิดว่าได้น้ําได้เนื้อพอสมควรนะวันนี้ครับเสียงชัดเจนดีนะเครื่องนี้นะชัดเจนครับครับต่อไปใช้เครื่องนี้ดีกว่าครับก็ แต่ว่าเครื่องนี้เราอัดไม่เป็นแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะคุณไม่ต้องอัดก็ได้เพราะมันอยู่ใน Facebook แล้วก็ไปอัดไปดาวโหลดจาก a c e b o o k มาได้ท่านัก็ขอให้ทุกท่านที่ติดตามชมและฟังและสนทนาขอให้มีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกทุกท่านทุกทุกทุกคนนะสาธุสาธุ เอาแค่ น, นี้ก่อนนะจะอจะออกจากห้องแล้วนะ